สวัสดีทุกท่านจเจรรินผดีครับอาจารย์ตอนนี้ไลน์นะครับคุณสัปปนาคุณจุคุณยาลุ่ลูกชายสัปปนาอาจารย์พรมพิไลมากนเพื่อนวันนี้เชิญ สบายดีต้องเปิดไมค์ก่อนครับสบายดีค่ะพระอาจารย์สบายดีค่ะสบายดียืนดีที่ได้เห็นหน้าเห็นตาค่ะวันนี้ไม่ไม่มีคำถามค่ะรับฟังค่ะนิ่เดขอไปที่ท่านตอบไปเลยนะค่ะคุณพัฒน์เจอคุณพัฒครับการธรรัสการ์ครับพระอาจารย์ครับพอดี อาทิตย์ที่แล้วปฏิบัติแล้วก็มันอยู่ในลมหายใจหายไปครับแล้วก็หูมันดับแล้วก็เอ่อมันมีรู้สึกมันตุบๆที่หูครับผมไม่ไม่ทราบว่าแบบนี้แช่ปัญหาสมาธิไหมครับมันสงบถึงจะเป็นปัญหาสมาธิครับถ้าไม่สงบมันไม่เย็นมันไม่สบายก็ยังไม่ใช่อ๋อแต่หูดับก็ยังไม่ใช่ใช่ไหมครับเอมันใสงบมันเน่งมันสบายหรือเปล่า มันก็สุดเฉยๆครับก็ไม่คิดปรุงแต่งครับอย่าไปสนใจชื่อมันเลยามใจตัวมันนีกว่าให้รู้ว่ามันมันเฉยๆมันไม่เดือดร้อนเันไวุ่นวายมันไม่หิวไม่โหยไม่โลคไม่กอดไม่หลงมาใช้ได้ครับอื พยายามให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเงี่งๆเฉยๆเย็นๆตอนอยู่คนเดียวมันอาจจะทำได้แต่ทำไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆมันจะเฉยได้ปะครับสำคัญตรงนั้นครับต้องฝึกอีอออกเยอะครับผมฝึกให้มันเฉยไม่มุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆ แม้แต่ความเป็นความตายก็ไม่วนเวียนมันเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้มันจะเป็นก็เป็นครับแล้วก็มผมลองไปคลองไปนั่งที่หน้าผามาครับโอ้โหน่ากลัวครับแต่นี่มันตรงนั้นมันตรงนั้นมันชันด้วยเรากลัวจัดเราไม่กล้านั่งเลยครับเพราะว่ามันมันเทลงไปกลัวเลื่อนตกลงไปครับไปนั่งริมริมก็รู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาแล้วครับ เราก็ต้องมีมีสติมีความพิจารณาให้รอบก่อนไม่ใช่ว่าจะเอาแบบเดนตายอย่างเดียวเดี๋ยวเกิดตายจริงแล้วมันมันถ้าตายแล้วบรรลุธรรมก็คุ้มกายครับคุ้มอยู่ครับคุ้มมากครั บ, ร บ, รบตอนนั่งไปมันก็ปรุงแต่งไปอีกครับว่าคนจะมาผักเราลงไหมหรือสองคนจะมาจับเราโยนไหม อีกเอ็ก็คิดมาเอ้ยจะบ้าไปกันใหญ่แล้วครับว่าใครจะมาจับเราโยนลงไปเรื่องอะไรนี้ครับเออไม่ว่าจาวก็ชาวที่เจ็บท่านถึงถ้ามันจะเกิดจะจะเกิดห้ามผมไม่ได้ทํำอะไรครับแต่ผมก็ไม่ได้ลืมตาหรอกครับแต่ว่ามันมันอยู่ดีมันจิตมันก็ปรุงแต่งไปเองเี้ยครับอืมก็ต้องรู้ทันมันครับใช้ปัญญาสกัดมันนะตายก็ตาย มไม่ช้าก็เร็ว่าต้องตายกันทุกคนคไม่ใช่มาสร้างความกลัวความตื่นตระจ น, นจนใจไม่เป็นปกติ <Okay. S 1> คุณพลอยต้องอย่าเพิ่งยกมือนะเพราะว่าต้องไปเข้าคิวก่อนนะเดีย๋ยวถ้าอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นคิวสุดท้ายนะเะเพราะว่ า, าเราไปตามคิวที่คนเข้ามาอคนที่ยกมือนี่ จะไปเป็นอยู่สุดท้ายเพราะเราต้องไล่ไปตามคิวที่เขามาโอเคมีอะไ ร, รไหมคุณพัฒ์ห ม, หมดหมดแล้วครับผมงั้นผมขอญาตไปทำความเพียรต่อเลยนะครับได้ตามสบา ย, ยครับกลับมวสักการครับอาจารย์สุณหมอาศนาอาจารย์ หลังจากนั้นนนก็อาจารยอาวอาจารย์ค่ะก็ ม, มีคำถามนะครัอาจารย์ก็คือกลับมาจากคราวที่แล้วมีความรู้สึกว่าคือเอ่อตอนเดินจงกรมอะค่ะผู้อาจารย์เงียบหน่อยจะ ไ, ไม่เสียงค่อยอได้ยินไหมคะเออตอนเดินจงกรมอะค่ะผู้อาจารย์ใช้สติปัญญาสี่แล้วพอพิจารณาไปมันมีความรู้สึกว่ามันก็คือสติปัญฐาสี่ก็คืออริยศาสตร์อะมันมันรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับว่ามันก็คือวนมาแล้วอั น, นเดียวกันเพียงแต่ว่ามันเริ่มพลระจุด ตัวเองก็เลยตอนหลังก็เลยเดินแล้วใช้อ า, าริยสัจคือเริ่มจากทุกข์ก่อนพระอาจารย์เพราะว่าไปที่นูน่นมันมันเห็นทุกเรื่องของการที่การเกิดค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกไหมคะเพราะคือแบบมันพิจาริาไปมาแล้วมันวนมันเหมือนกับเอ้มันก็คือมันคืออันเดียวกันอเดี๋ยวว่ามันเริ่มคนละจุดค่ะพระอาจารย์มันก็มีทุกข์สองแบบทุกข์ในจินตนาการกับทุกข์กับเหตุการณ์จริงมันไม่เหมือนกันนะครับผคนนี้เห็นจาก คือมันมันเห็นจากสัตว์แล้วได้ันที่ตัวเองคือเห็นรู้สึกว่ามันมันต้องแบบเหมือนกับว่าต้องระวังภัยในการในการอยู่ในการอะไรก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเนี้ยมันคือมันเห็นทุกว่าเออการเกิดเพราะตัวเองก็ท่องมรรณาสติทุกวันเนี่ยพระอาจารย์มันก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออมันเห็นมันเริ่มเข้าใจตรงทุกอาหารพระอาจารย์ได้แต่มันยังไม่เวลาเจอทุกจริงมันจะเข้าใจหรือเปล่าตอนนั้นนะที่ แล้วเดินไปเจองูกับป่าค่ะพระอาจารย์มันนิ่งพอที่จะแบบเดินไปแล้วก็พอเราเดินจงกรมพิจารณามันเจองูก็ไม่ได้ตกใจก็ยืนมองกันสักครู่หนึ่งเขาก็เลื้อยไปแล้วก็เดินไปเจอเจอตัวเนื้อทรายที่มีเผาเยอะๆก็ก็เดินจงกรมมาแล้วเดินเงยหน้าขึ้นมาก็เจอเขาเขาก็มองแล้วก็มองมองแล้วก็เดินไปก็ไม่ได้กลัวอะไรเขาก็กินหญ้าของเขาต่อคือเขาก็ไม่หนีแล้วพระอาจารย์ <S <S <itation> รู้สึกควนิง่งเรื่องของการวางกายน่าจะ คือมันรู้สึกว่าต้องเข้าใจนะ้วค่ะาอาจารย์ตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าจะพิจารณาเรื่องของเรื่องของสังขารเรื่องของเรื่องของความโกรธลงค่ะที่ยังติดอยู่เล็กน้อยคถูกต้องไหมคะาอาจารย์พิจารณาที่าอาจารย์บอกค่ะเรื่องของความโกรธก็คือมันยังมีกระเพื่อมเวลาประสบกับคือบางทีพอกลับมาปุ๊บเนี่ยบางทีพอมาทํางานมาจะมีอะไรที่ทําให้ยังมีไม่พอใจอยู่พระอาจารย์แต่ว่าความโกรธเนี่ยความโกรธเนี่ยไม่ไม่มีแล้วค่ะเพราะว่ามันละความอยากแต่ว่า เรื่องเขาไม่พอใจยังยังมีอยู่แล้วก็ความหลงหลงก็ยัง <S 2> <S 2> คือพิจารณาแฟนกับลูกนะคะก็พยายามดูเรื่องของเรื่องของออทัดทัดขันเรื่องของเรื่องของท้าเรื่องของฐานแล้วก็ก็พยายามดูแล้วก็จริงๆของลูกก็เริ่มปล่อยวางได้เยอะขึ้นนะคะของแฟนนี่ก็ก็คือแบบมันอยู่มันอยู่ในการเป็นเพื่อนแล้วก็ชวนกันทำทำทาทาสมาธิอะไรอยู่แล้วค่ะอาจารย์ พนั่นแหละเห็นอะไรก็ต้องพิจารณาว่าไม่เทียมไม่มีตัวตนร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนทุ๊กตาตัวที่ผลักดันร่างกายไม่ไดีไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นร่างกายตัวที่สั่งให้ร่างกายพูดให้ทําอะไรนี้คือใจเนละตัวกันตัวร่างกายนี้เป็นเหมือนทุ๊กตา ตัวใจป็นตัวผู้ขลานให้ร่างกายมันขยับขยื่ยนทำ อ, อะไรต่างต้องพิจารณาต้องมองอะไรต้องมองอะไรต้องเห็นว่าไม่มีมตัวตนตุก๊กตานร่างกายของเราทุกวันเนี้เป็นตุก๊กตาเดี๋ยววันหนึ่งมันก็หมดหมดลงมันก็จะย่อยสลายไปหมด เห็นนางกายเห็นอะไรต่างๆเห็นน่นไม่เทียมให้หมดทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรต่างๆที่มีอในโลกนี้เดียววันหนึ่งก็ต้องมีการสิ้นสุดลงะได้ไมไปวิตกกังวลไม่ไปยึดไปติดไปอะไรต่างนอันนี้ไม่ติดแล้วอาจารย์รรับเครื่องของสมบัติอะไรพวกนี้แต่ว่าเรื่องใจอะค่ะ คือพอเริ่มจะเข้าใจที่พระอาจารย์เคยบอกว่าให้สักแต่ว่ารู้แล้วก็น้ำหยดไม่บัวคือหมายถึงว่าพอเราดูเนี่ยคือให้เราดูดเฉยๆไม่ต้องมีคือเหมือนกับเราดูเฉยๆไม่ต้องมีอารมณ์บอกเขาใช่ไหมคะพระอาจารย์สักแต่เรารูผมว่าจะคือดูเฉยๆแล้วปล่อยเขาไปดูแล้วปล่อยเขาไปนี่คือนี่คือเรื่องของนามาขันใช่ไหมคะพระอาจารย์ อ, อ่ามดูไปเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเราเป็นคนดูก็ดูไปเขาเป็นคนแสดงก็ปล่อยเขาแสดงไป พระอาจารย์นโอเคนะเดิ okay, นะหน้าไปใหม่นะคะพระอาจารย์ไปแ้มันสงบมากเลยพระอาจารย์มันได้อะไรเยอะมากเลยอะคะ่ะ <Okay. S 2> ไปแล้วจะไปเจ็ดวันแล้วก็จะกินมื้อเดียวชิพพระอาจารย์บอกนี้กินมื้อเดียวห้าวันนะคะไม่มีป uh ัญ huh. หาอะไรเลยะคะ่ะรู้ uh huh. สึกดีมากโอเคท่านต่อไปอาจารย์สายชิพไม่ต้องรายงานตัวนะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> เ, เ อ, อวันนี้งั้นถามพระอาจารย์เลยค่ะถามถามเรื่องของกิเลสค่ะไปไปฟังได้ยินมาว่ามันจะมีกอยา่ยางอย่างกลางอย่างละเอียดแล้วก็เขาบอกว่าอย่างอย่างหยาบเนี่ยมันก็เหมือนพวกที่ผิดศีลห้าอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยสงสัยว่าถ้ากิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดนี้ยังไงบ้างแล้วจะจะละกิเลสพวกนี้ต้อ ง, ต, องต้องทายัางไงบ้างเจ้าค่ะมันก็เหมือนกันนะอยากกลารละเอียดมันก็ ก็ต้องลับมันเวลามันโลภ ก, ก็ต้องหยุดมันเวลาโกรธก็ต้องหยุดมันเวลาหลงก็ต้องหยุดมันหลงคิดว่าเราใหญ่เราโตเราเป็นศาสด า, าจารย์หรืเป็นอะไรขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความหลงหลงสมมุติใช่ก็ต้องให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางถ้ามันอยากกลางเลยหยุดไม่ต้องไปสนใจอ่ะอืม ก็มันโผล่ขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาถ้ารู้ว่ามันอพอวิตกกังวลนี่ก็แสดงว่ากิเลสโผล่ขึ้นมาพอกลัวเนี่กิเลสก็โผล่ขึ้นมาพออึดอัดใจนี่กิเลสก็โผล่ขึ้นมาพอไม่สบายใจนี่กิเลสก็โผ่ขึ้นมาเพียงแตเราจะรู้ว่ามันตัวไหนที่โผล่ขึ้นมาที่ทําให้เราไม่สบายใจทําให้เราอึดอัดใจนี่ มันมีป็นเรื่องของกิเลยนะอืมค่ะเหมือ น, นใจเรามันค่ะตางค้นต้องต้องคน้งคนให้เจอไอ้ตัวนี้ตัวไหนที่กำลังทำให้เราไม่สบายใจแล้วก็หยุดมันเสียค่ะพระอาจารย์อย่างเช่นเวลาที่เราเห็นแบบความคิดที่มันแบบ มันวุ่นวายหรือไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ค่อยไม่โอเคเท่าไหร่เนี่ยค่ะแล้วก็เห็นไอ้ว่าจิตจิตจิตมันชอบคิดไปในเชิงของของทางลบนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีตัวหนึ่งที่บอกว่าเอ้ถ э นะ้าคิดลบมันไม่ใช่เรา<笑><笑>เราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ของเรางั้นเราไม่สนใจนะอย่างนี้ได้ไหมคะแล้วเร า, าก็แบบจิตของท่านจริงๆคือไม่ได้คิดอะไรเจอถ้าอคิดไปก็ปล่อย ไ, ไปเลยอย่างเงี้ยถูกต้องไหมคะพระอาจารย์คือมันเหมือนผุดผุดขึ้นมาเราก็เห็นแล้วเราก็งั้นเราเราไม่เอาเรืเอ่อง ความคิดนี้นะอะไรเงี้ยได้ไหมคะก็หยุดมันได้ก็ใช้ได้อืก็ก็ไม่เอาค่ะอพยายามตัดความคิดที่ไม่ดีให้มันให้มันหมดไปให้เหลือแต่ความคิดที่ดีก็คิดที่ตรงกับความจริงไม่เที่ยงนะอันนี้ก็ไม่เทียงอันนั้นก็ไม่เที่ยงอันนั้นก็ไม่ยองเราอันนี้ก็ไม่ยองเรานะคิดแบบนี้ อรวมถึงความคิดก็ไม่ใช่ของเราได้ไม่ไม่ต้องค่ะเพราะว่ามันก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็เออสร้างหัวมันอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ไม่ไปคิดว่าเราคิดไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็ไม่ใช่เราไม่ก็มันไม่ใช่เราอยู่แล้วมันก็เป็นเพียงแต่ความคิดเท่านั้นเองเราไปเราไปยึดไปติดว่าเป็นเราคิดอ่ะที่มันไม่มีเราปล่อยมันไม่มีเราตัวคิดไม่มีมีแต่ความคิด ผู้คิดไม่มีมีแต่ความคิดอจาไม่มีผู้คิดมีแต่ความคิดก็คือจริงๆเราก็ไม่มีอยู่แล้วเเราก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปนะเจ้าคะแต่เราก็พยายามรักษาไม่ให้มันไปเชิงที่ไม่ดีรักษาใจให้เป็นกลางๆไว้อย่าให้มันสร้างความทุกข์ให้กับเราอย่าให้มันสร้างความไม่สบายใจให้กับเรา อะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจเราต้องหยุดมันให้ได้ค่ะก็คือสิ่งอะไรที่โผล่ขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าถ้ามันทำให้ทุกข์ก็รีบปล่อยไปเลยใช่ไหมจ้าค่ะเราหยุดมันห้ามันค่ะ วันนี้มีคําถามเพียงคเวลามันเห็นอะไรสวยๆงามๆใหญ่ก็ได้เนี่ยมันจะทํายังไงหยมันได้บ้าก็อยากได้พยายามหยุดหยุดค่ะนี้ไม่ใช่เรานี้ก็ไม่ใช่เรานี้ก็ไม่ใช่เราอยากได้ของนี้ก็ไม่ใช่เราอต้องใช้เหตุผลเดแล้วต้องใช้เหผลว่ามันจําเป็นหรือเปล่าอจําเป็นต้องมีไหมของอันนี้ะ เราไม่จําเป็นถ้าไม่ตายถ้าไม่มีแล้วไม่ตายก็ไม่จําเป็นอถ้าขาดมาเราตายนี่ก็เอาจําเป็นตอนนี้พยายามพิดารมันดีอยู่ยมไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่เรามไม่ยอมเชื่อทําไงมัมก็ยังจะเอาอยู่นั่นแหละมันก็ยางคิดอยู่นั่นแหละ ตอนนี้ตอนนี้ก็มีบันทีที่เห็นของเราอยากได้แล้วก็ถามเองว่าเอามาทําไมเพราะว่าของที่มีบันทีแต่หยุดแป๊บนึงแล้วเราก็ไปอยากได้ของใหม่มาอีกแล้วก็ทิ้งของเดิมที่เราเคยได้ไมาถึงว่าเราก็ลืมมันไปวันนี้ก็มีของที่แบบมีคนบอกว่าเอาไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออก็อยากได้นะแล้วใจมันก็บอกว่ามาทําไมเอามาเดี๋ยวก็ตั้งทิ้งไว้อีกอะไรเงี้ยค่ะตะกิเลสมันเห็นนะคะอาจารย์ว่าเอ้มันก็มันแบบ เอามาดีไหมก็ดีหน้าอะไรเงรี้ยค่ะแต่ก็ไม่เอาค่ะเพราะว่ารู้ว่าเอามาเดี๋ยวเราก็เบื่ อ, อ, อก็ไม่เอาอออก็ไม่ได้ใช้อะไรต่อเนื่องออแต่อันนี้ก็เลยห้ามตามใจก้าวหิวค่ะพยายามห้ามความโลภให้น้อยมาก<ฆ>มนักน้อยสันโดษให้ได้น้อยคือเอาเท่าที่จําเป็นค่่ะคะตอนนี้ถ้ามีเของมากเกินไป ไม่ได้ใช้มันก็เอาไปทําบุญทำทานก็ได้อเสื้อผ <okay. S 1> ้าเต็นตู้ร้องตู้เนี้ยใช้มันหรือตัวไหนไม่ได้ใช้เป็นเดือนเป็นปีก็เอาไปค่ะไปบริจาคแล้วก็แอบซื้อมาใหม่มซื้อมาใหม่ยอมยไปซื้อทำไมย่อมบริจาคทำไมเมื่ อ, รอเราไม่ต้องใช้มันเมื่อเราไม่มีความจำเป็นจะ ต, ต้องใช้มัน <c oughs> ไปซื้อมามันก็ไปความโลกค่ะจะพยายามค่ะอาจารย์ <c oughs> เป็นไงความโลภน่า <c oughs> ย, ยังมีอยู่ค่ะอความโลกตามอยากอยากได้นั่นอยากได้เน่้ยอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่นอยากดูอยากฟังอยากเล่นรถอยากน้งงอกงกินไงค่ะ <c oughs> ต้องสารมันให้หมด อยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเข้าตามธรรมชาติตามนี้ตามเขื่อนอากพักกระเป๋าไปไปไปเสียเงินซื้ออยากจะดูว่าไปซื้อมาดูอยากจะฟังก็ไปซื้อมาฟังเป็นความโลภแต่พยายามค่อยๆลดลงค่ะว่าอาจารย์ค่ ะ, อะโอเค มีเท่านี้ใช่ไหมมีเท่านี้ค่ะสาธุค่ะมทวิสาอยงงากสวิตเซอร์แลนด์เไงตอนนี้เข้าไปดูรัอนใช่ไหมเริ่มเริ่มหายหนาวแล้วใช่ไหมค่ะพระอาจารย์ร้อนถึงร้อนมากแล้วค่ะสามสิบ อ, องศาสามสิบเลยทที่นีเลยที่นี่กับพระสามสิบ ค่ะสามสิบยี่สิบแปดยิบเก้าบางวันสามสิบแต่ที่นี่มันจะร้อนแบบแห้งๆนะค่ะอาจาร์มันจะแสบแสบมันไม่เหมือนเมืองไทยค่ะพี่จ่าอ่ามันจะตัดแดกก็แบบไม่ได้เลยแบบมันจะไหม้แต่พอพอเข้ามาในล่มเอ๊เป็นหนาวหนาวคือลักษณะอากาศเปลี่ยนมันมันหลายฤดูเลยค่ะขึ้นข้างบนก็เย็นลงมาข้างล่างก็ร้อนวันนี้ไม่มีค่ะพี่จ่าไม่มี้าวกลานะยังปฏิบัติเหมือนเดิมอยู่นะ ค่ะพระ อ, อาจารย์ก็ฝึกสติเพื่อหาสมาธิเพื่อมาตัดความอยากแล้วก็ละล ะ, ละร่างกายให้ตอนนี้ข้อสอบคือร่างกายค่ะพระอาจารย์ก็เลยทำตามที่พระ อ, อาจารย์สั่งสอนแนะนําค่ะเวลาอยากได้อะไรไก็บอกว่ามันเป็นทุกข์นะได้มาแล้วเนี่ยค่ะดี๋ต้องทําให้เราทุกข์เพราะเราต้องดูแลมันะเราต้องห่วงต้องห่วงเราถ้าไม่มีแล้วก็ไม่ต้องดูแลไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมา ทุกเข้ามนค่ะตอนนี้ยมกําลังพยายามสละออกค่ะสิ่งของนอกร่างกายแต่ตอนนี้ตัวที่เป็นปัญหายอยู่คือตัวเราคือบางทีมันเหมือนที่พรอาจารย์เจ็บไข้ป่วยบางครั้งมันก็พอคิดมันก็ปล่อยแต่พอมนถึงจะว่ามันก็ยังติดอยู่ครับพระอาจารย์ก็เลยต้องตรงนี้ต้องพยายามขาดติดางกามันเป็นเพียงคนรับใช้เราเราไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกาย โยมก็เลยต้องฝึกต่ออ่ะตรงนี้ยังยากอยู่สาหรับโยมค่ะอาจารย์ต้องเป็นไรค่ะต้องต้องฝึกไปเรื่อยๆต้องคอยเตือนสอนใจอย่างเรื่อยๆอันนี้เร่วิปัสสนามวิปสนาต้องเอากับของจริงในเวลาแก่ไม่ใช่มานั่งคิดว่ยเราต้องแก่แล้วต้องเจ็บเราต้องตายตอนนั้นมันยังไม่เกิดมันก็ยังไม่ถือว่ามันเห็นชัดเจน เราเห็นการที่มันเจ็บเนี่ยตอนนี้มันไม่สบายเนี่ยเห็นทุกข์ไปยังทุกที่จากกังวลใจไปจากความอยากนะอยากให้มันไม่เจ็บใช่ไหมอยากให้มันหายใช่ไหมใช่เราอยากให้มันเจ็บมันหายเราก็ต้องใช้อย่างพระเจ้าต้องเข้าสมาธิทำสมาธิเพื่อให้มีกําลังเอามาตรงนี้ได้ใช่ไหมคะมาต่อกันทำให้หยุดความอยากให้อยู่กับความเจ็บไปค่ะ ที่เพราะเราก็ไปสั่งมันไม่ได้อยากให้มันหายไปลดมันออกไปจากร่างกายไม่ได้มันอยู่ไปปล่อยมันอยู่ไปเดี๋ยวมันก็หายยังไม่อยู่ไม่หายก็หายอยู่กับมันไปมันจะได้ไม่ไม่ไม่ไมเดือดร้อนค่ะค่ะโอเคนะค่ะค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ พ, พระเจาา้าค่ับวัดลินเชียนวัดลินย่างซอธรรมโมครับขอบคุณม วันนี้มาสอบถามเรื่องสภาวะธรรมครับเริ่มแรกลองผ่อนคลายร่างกายดูก่อนแล้วก็นั่งสมาธิกับพักหนึ่งแล้วก็ใช้อริยะก็จะทําใช้ชีวิตปกติเรารู้สึกว่าร่างกายมันแบบมันมีปิติข้านข้างผ่อนคลายจับใจด้วยอันนี้ถือว่าถูกไหมครับอาจารย์ยังไงนะไม่เข้าใจมันรู้สึกว่าจิตเริ่มแรกร่างกายผ่อนคลายก่อนผ่อนคลายแล้วก็พุทโธผ่อนคลายยังไงร่างกายผ่อนคลายเป็นผ่อนคลายยังไง เอออยู่กับปัจจุบันครับไม่ไม่ไปคิดฟุ้งซ่านหนึ่งนะมึงครับก็แบบไม่มันจะไม่ใช่่างกายมันจิตมันจิตนะเนาะอืจิตมีสติถ้าอยู่ปัจจุบันมันก็มีสติในเกตฟุ้งซ่านไม่ใช่นางกายครับก็รู้สึกผ่อนคลายพอผ่อนคลายมันก็แบบเออเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงทั้งวันเลยครับอาจารย์อย่างนั้นนะครับ อ, อ ก็ น, นี่ก็เป็นประโยชน์ที่ได้าจากการมีสติเนี่ยหัยใจเราไม่เครียดไม่คุนวายใจเฉยๆแล้วสำหรับ<ป>แล้วสำหรับนักภาวนา น, นี่อีกหน่อยสติจะเร็วกว่าอารมณ์หรือเปล่าครับหรือจอไปคู่กัน น, นั่นแหละมันก็คู่มันแข่งกันถ้าสติเร็วไปก็อารมณ์ก็จะหยุดไป ถ้าสติช้ากว่าอารมณ์ก็โผล่ขึ้นมาตามไม่ทันมาปิดเปิดเปิมไปด่าคนด่าคนนี้ก่อนนะสติให้ตามมาให้ดูไม่น้าพูดเลยนะไม่น้าดา่ okay. เาเพราะเลยเรื่องหนึ่งที่สับสนคือเป็นเรื่องทางโลกครับถ้าร่างทันทำมีพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นหลักครับเป็นเรื่องทางโลกนี่ผมไม่รู้อะไรเป็นเรื่องหลักทางโลกเลยครับอาจารย์ผมก็ ทั้งโลก็เรื่องของความทุกข์ในหนักของเอ า, ารู้จักนี้ยคื อ, อ, อแบบทั้งโลกคือทั้งโลกนี่มันแบบผมแบบถ้าทางธรรมนี่ก็ดูพ่อแม่ครูอาจารย์องค์ต่างๆต่ทางโลกนี่แบบมันเหมือนยังไงมันไม่มีหลักเลยในใจผมเหลือยังไงก็ไม่มีเหมือนกันครัตรงพ่อก็แล้วก็ใช้หลักของศาสนาเนี่ยเป็นวิธีอยู่กับทางโลกให้มีศีลมีสัจเนีผมไม่หานศี เมตตาปรณณามุริษตาโอหิขาให้มากน้อยสันโดษจางโลกอย่าไปโลกมากอย่าอยากรวยอย่าอยเป็นใหญ่เป็นโตทำหน้าที่เลี้ยงปากเลี้ยงเท้าไปก็พอเศรษฐกิจพอเพียงพระโสดาบันนี่ท่านรักศีลรักธรรมมากกว่าชีวิตตัวเองถูกต้องไหมครับ ก็ถ้าจให้ท่านทํำบาปนี่จะไม่ทํำบาปเพื่อรักษาชีวิตของท่านครับก็จะพยายามหาเวลาไปปีกวิเวกภาวนามากขึ้นครับเพราะรู้สึกว่ามันมีอะไรค้างคางในใจอย่างนี้ด้วยครับอใจมันยังไม่สงบมันยังมันยังไม่ไม่อิ่มถ้าไปทํำจิตให้สงบแล้ว ม, มันจะอิ่มแล้วไม่มีอะไรค้างคางอยู่ในใจ สิ่งที่ทัง้งค้างตอนนี้คือผมยังไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับพ่อแม่ได้อะครับหลวงพ่อมันก็เลยแบบรู้สึกยัดิดเขากังวลอะไรอย่างนี้ยครับอ๋อตอนเป็นที่พึ่งของตอนทุกคนก็ต้องพึ่งตอนตัวเองออคนเดิมก็ช่วยได้ก็ดีช่วยไม่ได้ก็ก็เป็นเป็นเรื่องสุดที่ใสไปก็แบบอย่างน้อยก็อยากแบบอะไรอะ่ะ ให้พ่อแม่เราสบายโดยพ่อแม่แบบไม่ต้องทํางานแล้วแต่เราก็แบบไม่สามารถมีกําลังถึงขั้นนั้นได้ครับเราก็แบบอย่างน้อยเราก็ช่วยตัวเองไปอย่างนั้นครับก็เลยทำให้เราตังวลเรื่องนี้ครับตอนที่ช่วยตัวเองให้ให้ให้รอดวนันเครับแล้วถ้ามีกําลังก็ค่อยไปช่วยคนอือ่นครับครับโอเคกับแค่นี้นะครับหลวงพ่อมันอรนุชด้ยด ย, ยาเซโนเซใช่ไหม S <S ใช่ค่ะมีมีมอะไรถามหมมีเรื่องการปรับอาหา ร, รการกินนะคะก็คือเมื่ออาทิตย์ก่อนเหมือนเือสินแปดแล้วก็กินเหมือนเดียวได้5าวันแล้วก็รู้สึกดีใจก็เลยคิดว่าจะให้กำลังจะให้ให้รางวัลตัวเองอะไรอย่างเงีง้ยค่ะก็เลยไปซื้อของที่ชอบกินมามาซื้อมากินปุ๊บ สินแปดก็กลายเป็นสินเจ็ดแล้วก็กลายเป็นสินหกค่ะก็เลยอ๋อก็เลยสงสัยว่าเราควรจะงดของที่เราชอบกินมากๆไปด้วยหรือเปล่าเนี่ค่ะถ้าเลิกได้ก็ดีเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดแล้วเราจะกินง่ายๆมีอะไรก็กินได้กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ ไม่ได้อยู่นะเพื่อที่จะเลือกผู้่อจะได้กินอาหารอ ร, าร่อยอาหารถูกปากถูกคอเพราะมันเป็นความสดประเดี๋ยวประเดา้าแล้วมันกลายเป็นความทุกข์เพราะว่าเวลาที่อยากจะกินของที่เราอยากเราชอบแล้วไม่ได้กินมันจะทุกข์แตถ้าเรากินอะไรก็ได้มันก็จะไม่ทุกข์เพราะเราไม่รู้เหตุการณ์ว่า เราจะสามารถหาของที่เราอยากกินได้เสมอไปทรือเปล่าถ้ากิดเราไปตกทุกได้ยากนั่นเป็ระโยชน์ในสถานที่ที่ไม่มีของที่เราอยากเราชอบกินถ้าเรากินอะไรก็ได้มันก็จะไม่เดือดร้อนอันนี้คือประโยชน์ของการของการไม่เลือกอาหารและอีกอย่างก็มันก็ถึงที่เราต้องการจะทําก็คือไม่ให้มันกินมาก ถ้าเรากินของอาหารที่เราชอบมันก็จะกินตามความอยากแต่ถ้าเรากินอาหารที่เราไม่ชอบนึ่พ อ, ลพ อ, ล อ, อแล้วพอรู้สึกว่ามันอิ่มเราก็ไม่อยากจะกินแล้ ว, ลวก็หยุด ม, มันก็จะไม่มาสร้างความง่วงเหงาหงานอนให้กับเราสร้างความเกียดค้าให้กับเราถ้าเราปฏิบัติธรรมเราก็จะได้ไม่มีอุปสรรคมีวอนคือความง่วงเหงาหงานอน ก็อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความสุขทางร่างกายเราก็ต้องกินอาหารที่เราชอบเรากินมา ก, มากๆกินให้มันอิ่มแตถ้าเราต้องการความสุขทางใจเราก็ต้องกินให้กินอาหารพอประมาณไม่ให้มันอิ่มมากเกินไปเพื่อที่เราจะได้แม่มาเป็นนิวรันเป็นอุปสรรคเวลาที่เรานั่งสมาธิหรือเวลาเดินจยกลมมันจะได้ไม่มีความขี้เกียจ เรื่องความง่วงนอนก็มาเป็นกับสนั่นคือเรื่องของการรับประทานอาหารรับประทานพอประมาณสันโดษก็คือกินตามมีตามเกิดอย่าไปจูจ้จี้จุกจิกว่ามันจะทําให้เราเสียเวลาเราไปสรรหาอาหารที่เราไม่อยากกินนั้นบางคนต้องขับรถเป็นหลายสิบ ก, กิโลไปหาร้านอาหารกิน แม่จุจ๊จี้ฉุจี้ก็ออยู่บ้านมีอะไรกินก็กินไปไข่ชุ่มไข่เจียวไข่ต้มอะไรก็กินไปให้ใหมันอิ่มท้องดับความหิวเั้นการกินนี่เพื่อดับความหิวไม่ต้องการให้มันเป็นการหาความสุขจากการกินถ้ากินแบบกินเพื่อความสุขมันจะติดติดโดสติดชาติตดอาหารมันจะทําให้ ถ้าเราจำเป็นจงต้องไปอยู่ที่กันดานที่สมบที่วิเวกมันจะไปะยากเพราะมันติดเรื่องอาหารอย่นะี้ น, นี่ก็คือเรื่องของการรู้จักกินอาหารเพื่อไม่ให้มันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมคือนี่คือเหตุผลเราจำเป็นจะต้องกินอาหารเพราะร่างกายต้องการอาหารแต่ให้มันกินแบบกินยาอย่าไปกินแบบ กนแบบที่เรากินเงินเราชินเลอาหารกินด้วยความสุขอยากให้มันอยากได้ความสุขจากการกินก็ต้องกินอาหารที่เรารักเราชอบแล้วก็กินแบบมากเกินเกินไปมันทําให้เวลาอินน้องมากเนีมันจะขี้เกียจมันจะไม่อยากจะทำอะไรมันจะง่วงนอนดังนัต้องอย่าให้มันกินมากเกินไป ถ้าเรากินของที่เราไม่ชอบมันก็จะกินไม่มากกินเพื่อดับความหิวก็พอๆแล้วมันจะ ส, สบายเวลาไปอยู่ที่ไหนกับใครก็มีอะไรก็กินได้เขาทาอะไรให้กินก็กินมีอะไรกินก็กินไปกินเพื่อดับความหิวจะได้เอาเอากําลังมาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมได้ แล้วก็ถามเรื่องการอดอาหารนี่คือเคยอดอาหารได้หนึ่งวันแต่ว่ายังไม่เคยลองอดอาหารติดกันหลายๆวันอย่างนี้นค่ะก็คือคือการอดอาหารนี่ก็เป็นการกระตุ้นความเพียรของเรามันคือถ้าเรากินอาหารเป็นปกติมันจะไม่มีความถุกคือจะไม่มีความหิวมันจะมีความสุขความ อ, อื็ด มันก็จะไม่กระตือรือร้นกับการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราไม่ได้กินอาหารเนี่ยท้องมันจะห็นและเราไม่สามารถรับรับความหิวได้ด้วยการกินเราก็ต้องมารับรับความหิวได้ด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะาความหิวเนี่ยมันส่วนใหญ่มันเกิดจากใจไปคิดปุงแต่งขึ้นมาถ้าเราหยุดความคิดปุงแต่งได้ด้วยการ จเจรสติด้วยการนั่งสมาธิพอจิตสงบความหิวที่เกิดจากความคิดปุ่มแต่งมันก็จะหายไปแล้วมันก็ทําให้เราได้สมาธิบังคับให้เราต้องปฏิบัติเพื่อทําจัดความหิวของทางจากความคิดปุ่มแต่ง น, นี่คือคือเหตุคนงงการอดอาหารเพื่อเป็นการกระตุ้นการปฏิบัติของเราดัง ถ้าเราถ้าเราได้เห็นเห็นผลจากการปฏิบัติเห็นผลจากการอดอาหารว่าทำให้เราต้องต้องจเจริญสติต้องคอยควบคุมคามคิดต่าต่านั่งนั่งสมาธิทำจิตให้สงบพอจิตสงบแล้วก็เกิดความรู้ส็กอิ่มแล่ความสุขใจขึ้นมากิ่ใจก็จะเห็นว่าอ๋อวนนนันเราไม่ได้กินมากมายไปได้ มันก็จะทําให้เราชอบการอรุดอาหารเป็นการกระตุ้นให้เราปฏิบัติเพราะถ้าเราไม่อดอาหารเราจริงมันเราอาจจะไม่ยังยังไม่มีอะไรมากระตุ้นให้เราปฏิบัติเราก็ยังใจอ่าอยู่เฉยๆไปก่อนไม่เดือดร้อนไฟไม่ลนก้นใช่ไหมต้องหาไฟมาลดก้นบางทีจะได้แก้ไขไปัญหาอ่านั่นแบบหละคือผลของการอดอาหาร มันจุดไฟลนกล้นแม่ใ้นั่งอยู่เฉยๆให้ไปภาวนาให้เดินจงกมให้นั่งสมาธิมันง่ายมันจะทรมานมันจะคิดแต่เรื่องอาหารแล้วมันจะหิวแล้วถ้าดีไม่ดีถ้อยู่อยู่ใกล้ตู้เย็นอยู่ใกล้อาหารอาจจะยอมแพ้ก็ไดไ้กินอาหารแทนมันก็ต้องต้องต้องดูจริตของเราว่ามันเหมาะกับเราไหย ผลแล้วมันช่วยกระตุ้นให้เราได้ปฏิบัติทําให้จิตเราได้สงบความเพิ่มมากขึ้นหรือเปลถ้าได้ก็บางีก็ต้องยึดแนวทางนี้ไปใจกระตุน้นสังเกตดูได้เวลาอดกับไม่หดเนี่ยมันผลของการการปฏิบัติมันจะต่างกันการปฏิบัติมากน้อยจะต่างกันถ้าอดอาหารเนี่ยมันจะปฏิบัติมากเพราะมันต้องคอยควบคุมความิดนะถ้าไห้คิดแล้วมันทรมาน น้ำลายหลมิถึนจาอาหารคุณจะถามอะไรอ๋อเออแล้วก็จะถามเรื่องการนอนนี่ก็คื อ, ค, อคนจะนอนวันละกี่ชั่วโมงค่ะถ้าเป็นคนไม่ได้ทำงานแบบพ้าให้คืนะลนะสีชั่วโมงนะาุก็ต่จะให้นอนสีชั่วโมง ประมาณสี่ทุ่มถึงตีสองหรือห้าทุ่ถึงตีสามแล้วก็ตื่นเวล า, าสายปฏิบัติทจนถึงสว่างแล้วค่อยไปทําภารกินปเป็นตบะหรือไปทําอะไรเพื่อรับประทานอาหารรับประทานอาหารก็รับประทานมู้เดียวนู้นเดียวเสร็จแล้วก็จะได้ไปปฏิบัติธรรมต่อเดินจงผมนั่งสมาธิต่อถ้วถ้า ช่วงที่รับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆถ้ารู้สึกว่ามันง่วงก็อาจจะยอมผ่อนให้มันพักสักชั่วโมงนึงพักกลาวันสักชั่วโมงนึงพอต่ก็มาหายง่วงแล้วเดินเดิจนจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติท่ถ้ามีเกิจอะไรที่จะต้องทำก็ทำด้วยการมีสติอย่างต่อเนื่อง พอไม่มีอะไรจะทำแล้วมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิต้องการเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดเวลาที่สําหรับเลี้ยงดูร่างกายก็ให้เท่า ใ, ให้เท่าที่จาเป็นเท่าที่สี่ชั่วโมงสําหรับการนอนอาหารก็รับประทานเพ่เดียวก็พอนในบางช่วงอยากจะกระตุต้นความเพียรก็ก็อดอาหาร สามวันบ้างหนะ้าวันบ้างก็ได้จะลองไปทำดูค่ะคือมันจะมันจะเห็นผลอนะ่ะถ้าเห็นผลแล้วมันต่างกับเวลาที่เราเรากินตามปกติมันก็อาจจะทำให้เรามีกำลังใจอยากจะทำแบบนี้บเพราะทำแล้วมันให้การปฏิบัติของเราขึ้นหน้าสมาธิจะสงบมาก จะสงบนานจะสงบนี่ตยตามจาเวลาที่เรารับประทานอาหารถ้าถูกเจริญนะถ้าไม่ถูกเจริญก็จะหิวใหญ่รุ่งซ่าไปกับเรื่องอาหารก็ <c oughs> คงจะใช้การออาหารไม่ได้มาลองสังเกตดูกนะาร น, นั่งปฏิบัติต้องสังเกตว่าวิธีไหนอุบายแบบไหนเหมาะกําลัง บางท่านก็ใช้อุบายเดินดกผมให้มากๆเดินทีละหลายชั่วโมงเดินแล้วมันมีสติพอมีสติแล้วมันเบาเดินแล้วรู้สึกว่าไม่เหนื่อยเดินได้เพิ่มเตินไปกับการเดินได้แต่มันต้องทําอะไรแบบให้มันโคตรหน่อยถ้าทําแบบแบบแบบค่อยประครับประครองมันแล้วก็ ย, ยังทสายการ อันนี้อั น, นี้มากเกินไปแล้วสุดตรงแล้วอะไรอย่ง น, นั้นมันก็จะไปไม่ถึงไหน อ, อทางสายกลางของเราไื่ใชทางสายกลางของกิเลสถ้าปฏิบัติแล้วมันไม่ขื้นหน้ า, าแสดงว่าถูกกิเลสมันหวาดร้องไปแล้วว่าอ้าวมัเป็นทางสายกลางเราอยากจะก้าวหน้าพอเท่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเราก็ต้อง ทำให้เพิ่มให้มันมากขึ้นด้วยหาด้วยการหาอุบายวิธีต่างๆอดอาหารบางท่านก็ใช้การอดนอนไม่นอนจะได้เอาเวลานอนมาปฏิบัติ<ม>ก็มีนั้นนั้แต่แต่ละท่านจะเลือกเอาบา<ม>งท่านก็ได้ประโยชน์จากการไปหาที่สงบที่เปี่ยวที่น่ากลัวท่านก็ชอบไปภาวนาในป่าชา เวลาอยู่ในป่าชาเนี่สติมันมันไม่เผลอมันจะคอยควบคุมจิตไม่ให้คิดถึงผีถ้าไม่มีสติเดี๋ยวคิดว่าผีมาได้ยินเสียงอะไรพบกแมวตอมบางทีหมามันเดินสัตว์มันเดินมีเสียงดังก็เชื่อว่าผีเดินมาหาเ้างั้นมันก็ทําให้มีสติคอยควบคุมปามคิดให้ไม่ให้คิดแล้วมันนิ่งให้มันสงบ นี่คือมาตรการรูบายที่จะช่วยกระตุ้นการปฏิบัติของเราให้มันคืบหนนะ้าถ้าเราอยู่ที่ปลอดภัยอยู่ที่จำเจยอย่างบ้านเรานี้มันไม่มีอะไรมากระตุ้นเน้น mm hmm. ถ้าอยู่ที่บ้านสิ่งที่เราทำได้ก็คือเรื่องหมดอาหารเรื่องเดินเดนมนมนต้นมากๆถ้ามีโอกาสไปหาที่เปรี่ยวที่หวัดเสียวหวัดโลัวได้มัก็ มันก็จะกระตุ้นสติให้เราตื่นขึ้นมาแล้วทำให้เวลานั่งสมาธิเจ็ดก็จะสงบนานสงบยวสงบนานแล้วถ้าจะคิดไปในทางปัญญามันก็จะไปทางปัญญาได้ไง่ให้คิดว่าเป็นสุภาร่างกายเป็นสุภาพก็จคิดได้ว่าร่างกายไม่เที่ยงก็คิดได้ร่างกายไม่มีตัวตนก็คิดได้ แต่ถ้าอยู่ที่ปลอดภัยอยู่ที่จำเจนี่มันบางทีมันไม่คิดไม่ออกเห็นใครก็ยังเห็นว่าเป็นคนนั่นคนนี้อยู่เป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีเป็นอะไรเป็นเพื่อนเป็นอะไรไม่ได้คิดว่าเขาเป็นอนิจจังไม่เทียมแล้ววันหนึ่งก็จะต้องมีการตายจากกันไปอันนี้คืออุบายวิธีของการปฏิบัติเพื่อให้ก้าวหน้ ถ้าไม่เช่นั้นมันก็จะปฏิบัติเท่าเดิมคอยนั่งได้กี่นาทีมันพอเท่านั้นแล้วมันก็หยุดอยด่ยงนี้มันนั่งมากกว่านั้ น, นก็ต้องมีมาตรการต่างๆทํ า, าทให้มีสติมากขึ้นแล้วมันจะทําให้นั่งได้มากขึ้นได้นานขึ้นเข้าใจนะหมดแล้วยังหมดแล้ค่ะโอเค ขอบคุณค่ะคุณบริสตาคุณบริสแชนกลับมาสักการอาจารย์เจ้าค่ะอย่างระยองเนะเจ้าค่ะอาจารย์มีคำถามเจ้าค่ะถามมาค่ะประมาณสามสี่วันที่ผ่านมานั่งสมาธิแล้วเป็นอาการเหมือนดบบว่าร่างกายมันแข็งแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สมามารถจะควบคุม ร่างกายได้เลยค่ะแต่มันแข็งรู้รู้ได้แค่อย่างเดียวค่ะอาจารย์ถ้ารูเฉยไปมันจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจนะเราต้องการควบคุมจิตมราดูที่ตัวจิตตัวเดียวยไม่ใ้มันไปคิดคุกแตนเกี่ยวกับร่างกายให้มันกลับมาดูลมพุโธต่อเพื่อ้มันนิ่งมันสนงบกายของร่างกายมันก็เปลี่ยนไปได้มันดีนั่งนี่แล้วบางรู้สึกว่า ้านิ้วมือที่เราวางไว้ทับไปนี้มาอจะเหมือนเกาะติดกันเลยก็ได้เป็นเหมือนเป็นเหมือนนิ้วมืออันเดียวกันมันโดดเขาหากันเวนั่งสมาธิก็ไม่เป็นไรก็รู้ว่าเป็นอาการของมันไปเป็นของชั่วคราวอันนี้มันพออกจากสมาธิมันก็กลับมาเป็นปกตินะอย่าไปเสียเวลาอย่าไปอย่าไปเสียเวลากับเรื่องราวของฐานร่างกาย มาคอยจดจ่อดูกับการทำจิตใจดูลมแล้วพูดโทต่อค่ะเพราะว่าก่อนนี้มันจะมันเป็นรอยต่อก่อนที่จะไปสงบแล้วหนูแบบอึนอัดล้วเหมือนวันไหวง่ายค่ะพระอาจารย์แบบจะยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะไม่มั่นคงเท่าไหร่ช่วงช่วงระหว่างรอยต่อเนื่อนอ่ะพรสติแล้วไว้ดีนะ แล้วกลับมาที่ที่ลงที่พุทโธอยากไปสนใจกับเรื่องต้อก็อยู่กับรมที่เราใช้กล่องใจนะมันจะงจะเข้าสู่ความสงบได้อีกคบถามนึงนะคะพระอาจารย์แล้วช่วงไ ม, ไม่ไม่กี่วันมาช่วงนี้นะคะ่ะหรุไปทำงานแล้วรู้สึกว่าเรา เหมือนมองโลกไม่ไม่เหมือนเดิมรู้สึกเหมือนเข้าใจเรื่องร่างกายมากขึ้นนะคะเอื่องใจหนรู้สึกว่ามันมันรู้สึกวิววิที่ใจคววางใจเสียงขาดขาดหายไปแล้วค่ะอาจารย์ก็ไปไปทํางานแล้วหนูรู้สึกว่ามองโลกไม่เหมือนเดิมอะค่ะเกี่ยวกับร่างกายอะค่ะอาจารย์มันก็จะเริ่มเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวหลัก แล้วร่างกายมันก็เป็นธรรมชาติสภาวะธรรมอันหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยก็ต้องแก่ไปเรื่อยๆ เ, เจ็บไข้แน่ตัวแล้วก็ตายไปในที่สุดใจใจมันบิ๋วๆาาค่ะพระอาจารย์อ๋อไม่เป็ไรเราเว้ว่าช่างมันไม่ วิวแบบนายเราวิแบบทุกมันวิแบบไม่ทุกมันมันอธิบายไม่ถูกเหมือนกันพระอาจารย์จะทุกก็ไม่ทุกจะเหมือนแบบไม่ไม่กลืว่าทุกมันไม่เฉยมันไม่เฉยค่ะพระอาจารย์มันวิววิแบบใจหายแบบริววิวมาแสดงว่าอาจจะใจไม่สงบเราลองบริกรรมพุทโธในเวลามันเกิดอาการอเข้าใจเรายัง ไม่สเสถียรไม่สเสถียรหรืออาจจะเป็นผลของกิเลสก็ ไ, ได้ไถ้ามันวิวนี่ส่วนใหญ่มันมักจะเป็นผลขอ ง, องกิเลสความคิดปร่งแต่งที่อาจจะคิด ไ, ไปแล้วทำให้กิเลสมันต่อต้านก็ได้ไถ้ามันวิวก็พยายามทาให้มันนิ่งก่อนนีกว่ากาวชทัวบวชทัวบวชทัวบวชทัวไปทั้งบวชทวบตช ให้มันสงบก่อนนะให้มันสมบก่อ น, น, อนแล้วค่อยไปดูใหม่ค่ะวันนี้มีเท่านี้คะ่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณท่ายทุกคุณอนุมาแกว้วบัวคุณรอนธานีคุณ า, า, นน า, าบ้านตายอยู่ในวัดหรือเปล่ายังไม่เปิดไหม่เลยเปิดไหม่ค่ะอยู่บ้านเจ้าค่ะอยู่บ้านอยู่ในพอดี พอดีวันนี้มีคำถามจากเพื่อนฝากถามเจ้าค่ะมามาถามว่ากรณีที่คุณพ่อคุณแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลทีนี้คุณหมอเขาให้เซนเซนยินยอมถอดเครื่องช่วยหายใจเจ้าค่ะทีนี้แล้วเขาก็เซนไม่ทราบ ว, ว่าจะเป็นอนันตะลียกรรมไหมเจ้าค่ะใ ค, ใครใครนบนเซนพ่อแม่เนยหมายถึงว่าลูกเซนเนี่ะค่ ะ, คะเจ้าค่ะ อนีญญ้ยากคือเข้าทำไมถึงให้เซ็นออาจจะป่วยเยอะอะไรประมาณนี้ยเราแบบเนีย่ยค่ะเริหมอจะไม่ให้รักษาต่ออีกหรือประมาณนี้อจ้ค่ะคือการไม่รักษานี้ไม่เป็นการฆ่าเป็นการยุติการยียาหรือยุติหรือการยุติกินยายุติอะไรปล่อยให้ร่างกายมัน อรักษาตัวมันเองถ้ามันจะหายมันก็หายถ้ามันไม่หายก็มันก็ตายอย่างนี้เราไม่ได้ไปทําให้มันตายแล้วเพียงจะปล่อยโดยทำหบอเขาบอกว่าเห็นแล้วมันรักษาไปก็ไม่รอดมาดีเสียเวลาเสียเงินเสียเท้าเสียะอะไรบ้างก็ยุติการรักษาถ้ายุติการรักษาไม่บาแต่ถ้าฉีดยาให้ตายาอ่ะบาอ๋อเจ้าค่ะ าเจ้าค่ะประจัยนะเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะงั้นไปที่ท่านต่อไปนะคุณแดนอยากบุดรเหมือนกันใช่ไหมคุณแดนค่ะจะะัดธรรมสัาร์คะพระอาจารย์เบ่ออะไรไห ม, ม, ไ, ม, มไม่มีคาถามค่ะงั้นไปที่คุณอ้อมต่ อ, นะอค่ะคอ้อมบอวินได้ยินไหม นมัสการค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมมีถามอะไรไหมมีค่ะถามเลยเอรอบก่อนถามสังโยชน์พ่อวิจิตกิจฉาไปรอบนี้ขอความกระจ่างของศีลพะระตาปลรมาสหนยคะ่ะพระอาจารย์แบบที่เข้าใจง่ายๆนะคะคือถ้าที่หลวงปู่เคอยอ่านคำแปลของหลงตารอ ง, งตาบอกว่าศีลพะระตาปลรมาสก็คือ การรูปคาศินคำว่ารูปคำก็คือเหมือนคนตาบอดแล้วก็ไปจับอะไรแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่จับนั้นมันเป็นอะไร<ม>ใช่ไหมเช่นไปจับงูไปจับปลาไหลไม่รู้ว่าเป็นงูหรือเป็นปลาไหลรูปคําคนที่รูปคําสินก็คือคนยังไม่เห็นว่าสีลนี้มีมีผล ต่อผู้ที่รักษาผู้ที่รักษาเสียงก็จะปราศจากอบายไม่มีไม่ต้องไปเกิดในอบายผู้ที่ไม่รักษาเสียงก็จะไปเกิดในอบายมีพระสวสดาบันท่านปฏิบัติแล้วท่านจะมีโดตาเห็นธรรมเห็นว่าจิตที่ทําบุญกับจิตที่ทํำบาสนี้ไปคนละทิศกันจิตที่ทําบาปก็จะขณะที่ยังไม่ตายก็ทุกข์ ตายไปแล้วก็ไปเกิดในอบายสี่สถานเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรกเป็นนสุรกายไว่ไปนรกซึ่งมันไม่คุ้มกับสิ่งที่เราได้จากการทำบาปทาบาปจะได้เงินทองมาก้อนนึงใช้ไปเดี๋ยวก็หมดแต่จิตนั้นตกไปอบายนละ้ท่านก็ไม่ทำดีกว่าไม่ทำบาปเนี่ยยอมอดข้าวดีกว่าถ้าไม่มีเงินซื้อข้าวมไม่ไปขโมย เงินไปซื้อไปซื้อข้าวมากินแล้วก็ไปหาเงินโดยสุจริตแทนไปเก็บขวดเก็บขยะมาขายอันนี้ก็จะปลอดภัยจากการไปอบายปลอดภัยจ า, ก, ายกความมีทุกข์ความถ้าไปกมยเงินใจก็วิตกกลงวันจะถูกเขาจับหรือเปล่าถ้าเห็นเห็นสภาพของใจเวลาทำบาปมันร้อนเวลาไม่ทำบาปแล้วมันเย็นท่านก็รู้ว่าบาป บาปนี่เป็นสิ่งที่จะต้องไม่กระทําโดยเด็ดขาดแล้วสมัาดานจะจะจะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดยอมตายถ้าต้องเรื่องตอนผ่านตายกับการทําบาปนี้ถ้ายอมตายในบาปเพราะตายแบบไม่ทําบาปมันไม่ต้องไปอาบายอยัติ กระจายเลยสีรับรัดปรมานอ่านในเนตมันมีแบบละพิธีกรรมแบบงมงายอะไรอย่างเงี้ยด้วยอค่ะข อ, ขอาจารย์ก็เลยสงสัยก็พิธีกรรมก็เป็นเองมันก็เป็นเองมันก็เป็นเหมือนกับการทำบาตรนะแต่ว่าคือเป็นการกระทำที่ไม่เกิดผลอะไรแต่ทำไปเพื่อที่จะทำให้ใจสบายเช่นเวลาเจ็บค้ายได้ป่วย กลวจตายก็เลยไปทําพิธีดูชาราบหรืออะไร <Okay. S 2> บางแห่งเขาก็บอกให้ไปนอนในโลงศพเลย <Okay. S 2> ทำเพื่อให้ใจสบายเแต่พ mm hmm. ระสุดารันไม่ต้องทำ mm hmm. เพราะสุดารันรู้ว่าคอามไม่สบายเกิดจากความไม่ยอมรับความจริงไม่เห็นความจริง <Okay. S 2> ว่าทุกสิ่งในโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจังไม่เทีย่ยม mm hmm. มีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาค mm hmm. okay. อันก็ยังไม่ไปทําพิธีอะไรต่างเวลาเวลาชีวิตตกตําเวลาสูญเสียอะไรต่างๆก็ถือว่ามันเป็นน้ำทิ้งจังเลยค่ะแล้วใจก็ไม่ไปไปอยากได้คืนมันก็เลยไม่ทุกข์เสียอะไรไปก็ปล่อยมันเสียไปแจะเจ็บจะตายก็ต้องก็รู้ว่าร่างกายไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเจ็บต้องตายก็เลยไม่ต้องไปทําพิธีกรรมตายอย่างที่คนเด็กเขาทำไป เพราะว่าเหมือนละมาตั้งแต่พ่อแรกแล้วใช่ไหมคะสกิรยะใช่มันต้องตามลําดับขั้นไหมคะพระอาจามันไปด้วยกันนะสามข้อนี้พอได้ข้อแรกแล้วอีกสองข้อนี้มันจะตามมาเป็นอัตโนมัติอ๋อค่ะเป็นผลพอยได้อืมันจะไม่สงสัยในพระบุตรพระธรรมพระสงฆ์พระธรรมที่เห็นนี่ก็เป็นธรรมที่พระเจ้าเห็นมาก่อนน้วามาสอนพวกเราพอเราปฏิบตัติเราก็เห็นธรรมเหมือนกับที่พระเจ้าเ ห, เห็นเห็นอริยสัจสี่ค่ะ และสามสังโยชน์นี้จะมาพร้อมกันเลยใช่ไหมมันจะได้พร้อมกัน อ, อัตโนมัติมันจะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คมันจะไม่สงสัยเรื่องของการรักษาศีลทําไมต้องรักษาศีลทําไมต้องไม่ทําบาปคําสอนข้อแรกของพระเจ้ า, าทุกพ่อคือให้ละการกระทาบาปทั้งปวงทำบุญเพราะบาปนี<อ>้บานี้มันเป็นตัวที่จะทําให้เราจิตต้องไปรับโทษ ค่ะค่ะผู้าอ า, ารย์ถ้าตามความเข้าใจถ้าเราจะบรรลุโสดาบันในระดับของคาราวาตเราต้องเริ่มตั้งแต่ทานศีลภาวนาให้ได้อัปปนาสมาธิเล่ามาละสามสังโยชนี้ไหมคะใช่ต้องมีอัปปนาขอนึงจะมีกำลังที่ยังละนะถึงจะปล่อยวาง่างกายนะร่กงกายจะตายก็เฉยได้รัางกายจะเจ็บก็เฉยได้ เราต้องเริ่มตั้งแต่ฐานด้วยไหมคะคุณอาจารย์คือถ้าเรายาังมัวหาเงินหาทองอยู่มวัวเอ่อเงินทองไปซื้อข้าวซื้อของอยู่แล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีเอาเงินทานนี้ไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆทํา ง, งานไปเที่ยวไปกินไปเดี่มก็เอาไปทําทานแทนถ้ามีจะจะได้ดัชนิสัยนี้ไม่ให้ไปทําแบบนี้ถ้าเราไม่มี้ถ้าเราไม่มีนิสัยใช้เงินใช้ทองเราเพียง แ, แต่หาเงินมาเพื่อเล่นปากเล่นทองเราก็ ถ้าไม่มีเงินเลยทําบุญทาทานก็ไม่ต้องทำ ค, คือไม่เราไปยึดติดไปอาศัยเงินทองไปเครื่องมือหาความสุขไม่มีเงินทองพอเลี้ยงปากเลี้ยงทองก็พอแล้วถ้าเราใช้มันเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราก็อาจจะไม่ต้องทํางานมากอเราก็จะมีเวลาไปปฏิบัติธรรมได้คือมันไม่ต้องเอามาบําพ็ญกิเลสใช่ไหมมันก็จะทําให้เรามีเวลาไปปฏิบัติธรรม อาเาเอามามุงกิลมันก็จะไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมแต่หาเงินใช้เงินอย่างนั้นหาเงินมาเพืใช้เงิ น, งนใช้เงินหมดก็หันมาทอถ้าเราทําอย่างนี้เราก็ต้องดัดดัดมันถ้าได้จเาเงินไปเลี่ยงกิเลกก็เอาไปสร้างธรรมด้วยการทําบุญทําทานสร้างบุญทาทานแล้วมันก็ทําให้ใจเราเย็นในความสุข เราต่อไปความอยากที่ยังเลี้ยงกิเลสมันก็ไม่มีความอยากที่ยัาเงินไปเลี้ยงกิเลสก็ไม่มีแล้วก็ลดการหาเงินหาทองนะเป้าหมายก็คือใเราลดการหาเงินหาทองเพื่อเราจะได้มีเวลาไปหาธรรมนะ<า>ไปปฏิบัติธรรมไปรักษาสีแปดกันก็คือแต่ถ้าเรามีเวลาปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเราไม่ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไม่ใช้เงินไม่หาเงินเราปฏิบัติธรรมได้เหมือนกับเราเป็นผ้าอย่างเนี้ เราก็ไม่ต้องไปทําทานเพราะเราไม่มีเงินเดี่ยวเร า, า, เรามีเันเท่าที่จะมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราทั้งนี้ก็ทานกระัดก็ตัดไปได้สิ้นก็ราบวารักษาสี้นแปดว่าถ้าต้องการปฏิบัติธรรมมันต้องระดับสิ้นแปดยังไม่เวลาทั้งนั้นเอง ถ้าได้อับปนาแล้วละสามสังโยชน์แรกได้นี่คือบรรลุเลยไหมคะอาจารย์ก็รู้ว่าถ้าถ้าได้อับปนาแล้วรู้ว่าร่างกายนี้ต้องแก่เจ็บตายไม่ไปจับกังวลกับมันมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันตายเวลาไปฉีดวัคซีนก็เฉยๆจะตายก็ไม่ตายก็ไม่ไม่กังวลตายก็ได้ไม่ตายก็ได้ หมดคำถามแล้วค่ะกระจาแล้วใช่ไหค่ะกระจาแล้วค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหอนะา่วุฒิชคุณหมอวีไมคครับกับนมัสกัดาลาชาครับอะครัเป็นยังไงมีคาถามอะไรไหมไม่ไม่มีครับวันนี้เข้ามาฟังธรรครับจะได้เอาไปเก็บไปปฏิบัติครับ เอามาฟังมันก็มีอะไรหลากหลายให้เราได้ได้เอาไปคิดเอาไปใช้ได้นะใช่ครับใช่ครับอโอเคอย่าไปที่คุณยินดีต่อเลยคุณครับคุณยินดีจาก USASouthCarolina การา น, านักราชการค่ะท่านอาจารย์เดวิดค่ะเดวิดก็ขยันหางันอย่างเดียวหางเงนไม่เราใช้เราก็อยู่เฉยๆได้ปฏิบัติทำได้ก็ก็ไม่ได้ใช้คะ่<จ>ะถือว่าเราเป็นบุญ เรามาใช้กินเลยใช้กินใช้อยู่เผื่อน่าคดนะคะก็มันยังไม่แน่นอนนะคะถ้าเราเรามีบุญมากเลยมีคนรับใช้เราหาเงินได้เราเราไม่เราอยู่บ้านปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันเลยเราหามดูเนี่ยดูคนนี้เขาสบายเขาไม่ต้องไปทํางานสาธุค่ะเดินโยนก้มนั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนสาธุค่ะนอกจากทำกับข้าวให้แฟนกินแล้เเวลากลับมาบ้านก็ บางทีก็เวลาเขากลับมาค่ะท่านอาจารย์คือเดวิดคือเขาจะว่างไรคะถ้าถ้าทางด้านทําทางด้านปฏิบัติเนี่ยคือเขายังไม่ได้มาแต่เขาเขาเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้สนใจใช่ไหมคะท่านอาจารย์แต่เขาไม่เคยมาขัดอะไรลูกเลยก็ดีเขาไม่เคยมาขัดอะไรหนูเลยก็คือเหมือนที่ท่านอาจารย์เห็นนะคะก็คือเวลาไปวัดกับแม่เขาก็ไปเขาก็ไป เขไม่เคยมาขัดอะไรอะค่ะท่านอาจารย์เขาเป็นคนดีก็เป็นคนที่เอาใจเอาใจคนเดินเอาใจไม่ขัดใจคนเดินค่ะแล้วเวลาอย่างเสาร์อาทิตย์เวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยค่ะหนูหนูจะต้องปลีกมานั่งสมาธิเขาก็เขาก็ไม่เคยมาเขาบอกนั่งสมาธิสี่ไปไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะไม่เคยแบบมาขัด นู่นขัดนี่หรืออะไรในร่างกายเขาคงจะเข้าใจว่ามันมีประโยชน์มันทำให้เรามีความสุขเขาก็เลยสนับสนุนแทนมันก็เหมือนกับไปดูทีวีแทนที่จะมีความสุขจากดูทีวีแล้วก็มีความสุขจากการนั่งสมาธิเขาคงจะเข้าใจหนูก็หนูก็เลยหนูก็เลยพูดกับแม่ตั้งแต่เสมอมาค่ะคือท่านอาจารย์เวลาเราไปพักร้อนที่เมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดหนูอยากจะไปวัด แล้วถ้าเกิดเขาขัดหนูก็ไม่ได้ไปแต่ที่ผ่านมาก็คือทุกอย่างก็ไปอย่างราบรื่นนะคะถ้าอาจารย์คือเขาเป็นคนพูดเองว่าก็จะเป็นท<ช>่านอาจารย์ถือว<ช>่าเป็นบ<ช>ุญของเราแล้วกันได้ได้แผนที่เป็นการยาวเนมินหนูก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยสาทุกก็บุญยังไม่ตกนะคะท่านอาจารย์ก็ก็หวังว่าคงเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะท่านอาจารย์เอครับค่ะ มันจะเปลี่ยนก็ต้องยอมรับสภาพไนทุกอย่างไม่เทียมค่ะค่ะค่ะพร้อมค่ะท่านอาจารย์ค่ะไม่มีอะไรจะถามม่มีหนูอยากจะทราบหนูอยากจะทราบถึงท่านที่ว่าเอพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้อะค่ะมีความสัมพันธ์กันยังไงกับพระพุทธเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็เหมือนรูปเหมือนไงเหมือนเราทานรูปเราของพ่อแม่ของปู่ย่าตายายเขาตายไปแล้วเราจะได้ไหรูปเขาไว้ดูแล้วนึกถึงขัง่ย น้อก็ก็หมายถึงว่าพระพุทธรูปที่เรากลาบไหว้ก็หมายถึงพระพุทธเจ้าในกับต่างๆใช่ไหมคะไม่นในในในใ น, ในองค์เนี้ยองค์ที่เรากล่าบไหว้นนะพระพุทธ เ, เจ้าว่าโคโนจ้าชายสิทธัตถะอย่างสมมุติอย่างสมมติพระพุทธชินราชนะคะถ้าอาจารย์รูกองค์เหมือนกันเหมือนเป็นแต่มาตั้งชื่อให้มันแปลกๆไปนั่นเองพระพุทธชินราชชินาศีรแก้วมรกตอันนี้ก็เป็นภาพเหมือน ให้เราแล้วถึงพระพุทธเจ้าพระโคจงที่ตัดชัด้อยอยู่ใต้โคนต้นโพธิที่ประเทศอินเดียเนี่ยเพราะฉะนั้นแบบอ๋ออันนี้ที่เรากล่าวว่าก็คือพระพุทธเจ้าเหมือนกันใช่ไหมคะอาจาอเป็น<อ>เหมือนรูปแบบรูปเหมือนก็รูปปั้นอ๋อค่ะเพราะนั้นเองไม่มีอะไรค่ะแต่ความจริงพระพุทธเจ้าท่านไม่อยากให้มีรูปเหมือนให้เรากลาวพระพุทธเจ้าให้กลาวพระธรรมดูปะพระพุทธเจ้าบอกว่า ใครกระทำใครปฏิบัติธรรมในดวงตาเห็นธรรมผูนั้นก็จะเห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงในใจของผู ира, <c oughs> ้ปฏิบัตินี้ที่บอกเป็นพระสวัสดิบาลก็เหมือนกับอมิสบูชากับปฏิบัติบูชาใช่ไหมคะที่ท่านก็จะว่าอย่างนก็ได้วัตถุก็อาจจะเป็นเหมือนอมิสบูชาบูชาด้วยวัตถุ ปฏิบัติบูชาดีกว่าท่านบอกให้ปฏิบัติบูชาค่ะค่ะ ส, สมาธิปัญญาทางสินภาวนาเราจะได้เห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงอยู่ในใจผัวขึ้นมาอันนี้ก็ดูของปลอมไปก่อนดูก็กที่มนุษย์ที่มีกิเลส อ, อย่างพวเรามาปั้นกันขึ้นมามีใครเห็นตัวพระพุทธเจ้าบ้างมีใครอยู่ตั้งแต่ห้าพันปีที่แล้วเอ๊สองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วไม่มีภาพของพระพุทธเจ้าเลย เจ้าชายเศรษฐะอยูใช่ไหมคือเป็นการจินตนาการปั้นขึ้นไปแล้วก็ตั้งชื่อกันตปลกๆให้ท่านั้นเองอ๋อค่ะค่ะท่านอาจารย์คือบางทีหนูก็เอ๊ะเล่าแบบคือเวลาเราแบบเวลาเรานึกถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะท่าอาจารย์บอกพุทโธพุทโธถ้าเกิดพุทโธไม่นั่นบางทีหนูก็เอาอภาพพระพุทธเจ้ามาช่วยก็คืออย่างภาพที่เป็นโพสเปอร์ที่ที่ที่ที่อย่างสมมุติในวันวิสาขะที่ท่าน ท, ที่ท่านแสดงทำกับพระสงฆ์หายที่ว่า227รูปที่ว่ามาชุมนุมกันได้ได้ก็ท่านนึกชื่อไม่ได้ก็นึกถึงภาพก็ได้คือเป้าหมายนี้เพื่อให้ใจเราสงบไม่ให้ไปคิดปูแต่ค่ะหนูแล้วหนูก็เลยมา น, นึกอ้าวแล้วพระพูดอย่งพางพระพุทธชินราชหรือพระแก้วมรกตหรืออะไรในลักษณะแบบนี้เอ๊ะมันเกี่ยวพันยังไงอะไรยังไงไม่มีเัโลกเหมือนท่านลเลย แทนพระพุทธเจ้าค่ะค่ะดังนั้นถ้าเกิดจะนึกก็คือนึกพระพุทธเจ้าดีกว่าใช่ไหมคะท่านอาจารย์ก็ดีกว่าเพราะมันเป็นการปฏิบัติบูชาเมื่อมันจะทําให้เราเห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงปรากฏขึ้นมาในใจค่ะพุทธาก็คือผู้รู้ไงเพราะจิตสงบก็เหลือจต่ผู้รู้ตัวเดียวเนี่ยแหละก็คือพุทธะเห็นพระพุทธเจ้าเป็นอะในระดับของสมาธิค่ะค่ะท่านอาจารย์ค่ะนะสบายัจนะค่ะ ค่ะขอขอบคุณมากค่ะทัานต่อไปคนนุณนรุนวนเชิญนะแบบเปิดไม้ก่อนเปดเป็นไม้พันวิวไม้ขุนบุค่ะน้องกาบนรัตการอยู่ค่ะอยู่ที่ไหนอำนาจเจริญค่ะอุบลเอออำนาจเนีเน่เป็นจังหวัดไหยค่ะเป็นจังหวัดแต่ก่อนขึ้นกับอุบลคือ ประมาณมาได้สักสองอาทิตย์เ็จๆค่ะหลวงพ่อจากที่เข้ากับนักการเข้ามาในซูมแล้วค่ะจิตมันจะเป็นแบบเขาจะบอกเราเขาชอบบอกเราคือพอเราว่างจากการก็จะบอกว่าวันคืนร่วงไปร่วงไปเจ้าทำอะไรอยู่รู้แล้วหรือว่าเจ้าจะตายในวันไหนมันจะเป็นอยู่เรื่อยๆค่ะเขาเรียเป็นปัญญาเาเรียกว่าปัญญา อ๋อแล้วทีนี้เราเราจะต้องวางไหมคะอ๋อล้วก็มันมาเตือนใจเรานะว่าเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความตายให้ได้อ๋อค่ะแต่จิตของลูกก็ไม่มีอะไรค่ะคือก็รับทราบรับทราบที่มันเกิดขึ้นค่ะออย่ากลัวตายอย่ากลัวตายไม่ไม่กลัวกลัวเจ้าค่ะไม่ถ้ายอมตายแล้วจะไม่ถูกค่ะไม่ไม่กลัวเลยจะยังมีความอยู่อยู่ก็สุบตายก็สุบ คือคือที่ลูกค้องใจก็คือว่าเราจะต้องปล่อยวางอะไรหรือเปล่าเจ้าค่ะก็ปล่อยว่าทุกอย่างที่เรามีอยู่อราไปมันก็ตัวที่พอแล้วพอร่างกายตายทุกอย่างก็หมดไปหมดนะอ๋อค่ะญาติพี่น้องครอบครัวทรัพย์สมบัติอะไรแล้วอะไรราบยุทธจัลศรอะไรที่เรามีอยู่เนี่มันหมดไปหมดเราไปจนเปล่าเปล่ามันจะปล่อยเองตอนสุดท้ายใช่ไหมคะมันนอกปล่อยตอนนี้ไม่ใช่ตอนสุดท้าย อ๋อคือคือตัวคําเตือนเนี่ยถ้าไม่ปล่อยตอนนี้มันเวลาตายมันก็ไม่ปล่อยไม่ไม่ไม่ใช่คุณเจ้าค่ะคือหมายถึงว่าคําเตือนตัวบัญญาที่มันเกิดขึ้นมาแต่แต่ละครั้งแต่ละอย่างเนี่ยเราจะต้องปล่อยวางไม่ค่าหรืออะไรยังไงอ๋อมันมาเตือนเราให้ปล่อยไม่ใช่คำคำเตือนอย่าไปปล่อยมันมาคอยเตือนไม่ให้เราลืมเดี๋ยวเรามักจะลืมเดี๋ยวไปห่วงโลกห่วงร้านห่วงสามีห่วงภรรยาที่แสดงว่าไม่ปล่อยครับ ตัวตัวนี้ลูกลูกมีหมายก็ว่าลูกมีตัวเตือนอยู่ว่าสมมุติว่ามีอะไรมาสัมผัสลูกก็จะทราบว่าอันนี้ควรจะปล่อยวางนี้ควรกัดอย่าไปทุกข์กับเขาอย่าไปทุกข์กับเขาคือคือมันแก้ได้เป็นข้อข้อเหมือนเราเหมือนเราแก้ปัญหาข้อคาถามทุกข้อน่ะมันจะมีคาที่มาเตือนมันก็จะปล่อยทันทีอ๋อเจ้าค่ะก็แปลว่า อ่าเราก็ไม่ต้องทําอะไรมันเตือนก็ให้มันเตือนไปใช่ไหมเจ้าคะถ้ามันไม่เตือนก็เราก็ต้องเตือนเราเองเดี๋ยวบางทีมันอ๋อเจ้าค่ะแต่เตือนบ่อยมากค่ะเตือนบ่อยมากเตือนบ่อยๆเตือนทัน้นทั้งคนได้ยริงๆเห็นอะไรก็เห็นอะไรก็บอกว่าปล่อยวางนะได้ยินอะไรก็ปล่อยวางนะอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะอย่าไปมีเรื่องเวลาอะไรกับใครเฉยๆไว้ดีที่สุดอ๋อไม่มีเจ้าค่ะ คือเมื่อมีเขามีเรื่องตะเลาะกับมันมีเรื่องหมายถึงว่าไปยุ่งกับเขาไม่อยากให้เขาไปได้ไป่างไ่ไม่เจ้าค่ะไม่อยากได้นั่นดับได้นี่เป็นของเราอยากไปให้มันมีให้มันดูเชยๆดูรอดให้มันผ่านไปเจ้าค่ะไม่มีแล้วเจ้าค่ะออจิตว่างสบายดีค่ะจิตไปแบกกับอะไรทั้งสิ้นความหมายคือแค่ปล่อยวางเอาตุ้้ยยางไม่เที่ยงตุ้ยยางมาแล้วก็ต้องไปเกิดแล้วก็ต้องดับ เขาก็คุณค่ะหลวงพ่อน้อมกาบนิมั ส, สการเจ้าค่ะไปพยายามให้มันเตือนอยู่เรื่อยเตือนทั้งวันเจ้าค่ะพระพุทเจ้าถามอานนท์ว่าอานนท์เธอเตือนตัวเองว่าเธอจะต้องตายในวันละกิ่ครั้งอ้ออานนท์อนนบอกว่าวันละสี่้าครั้งพระเจ้าบอกไม่พอต้องทุกลมหายใจเข้าออกอหายใจเข้าก็ถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้ไม่หายใจเข้าก็ตาย ให้เตือนแบบนี้คือคือจะได้ <แก S 2> ปล่อยาวางจะได้ไม่ยึดไม่ติด ก, ก่อนก่อนที่ตัวปั ญ, ญญาตัวนี้จะเกิดขึ้นเจ้าค่ะคือลูกก็ปฏิบัติ ด, ดูลมหายใจก็คือใช้พุทโธนะคะคําบริกรรมแต่ว่ามันก็จะก่อนก่อนหน้าที่จะเกิดปัญญาตัวนี้มามันจะหายใจเข้ามันก็บอกตายหายใจออกมันก็บอกตายเป็นอยู่ประมาณสองเดือนค่ะ<อ>แล้วตัวจึงหายไปแล้วก็เป็นตัวนี้ขึ้นมาค่ะได้ ดีแสดงว่ามันทังอยู่ในใจเราแล้ ว, ลวอ่ามันก็จะฝคอยเตือนเรามันะจะไม่ทำให้เราลืมความตายกันนะส่วนใหญ่คนจะอยู่ในน่องนิ่งๆความตายเพราะได้ข่าคนตายตื่นเต้นตกใจเป็นเหมือนของแปลกประหลาดลทำได้ <c oughs> ทุกคนต้องตายกัเจ้าของเราต้องไม่ตื่นเต้นตกใจไม่ต้องหวาดกลัวกับความตายนะไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของใครก็ตาม เป็นเรื่องธรรมดาพุทธเจ้าเรื่องความตายเป็นธรรมดาลงพ้นความตายกันไม่ได้ดีแล้วนะพยายามเจ้าค่ะสาธุทุกเจ้ามีปัญญานี้จิตไปกับตัวเริ่มแสดงว่าเริ่มมีดวงตาเห็นธรรมแล้วนี่ยังนี่ยังมาปล่อยปล่อยทุกอย่างได้หรือเปล่าเนี่ยลองพิสูจน์ดูท่าทุกเจ้าค่ะทายังลูกเกี่กับเรื่องนั้นนั่นนี้อยู่ว่าแสดงว่ายังไม่ปล่อยลูกก็ปรารถนาชาตินี้ชาติสุดท้ายแล้วกันเจ้าค่ะ ได้ต้องปล่อยให้หมดทั้งทั้งนอกทั้งทั้งในขอข้าพเจ้าก็ต้องปล่อยร่างกายเราก็ต้องปล่อยข้างในความรู้สึกต่างๆก็ต้องปล่อยน้อมรับเจ้าค่ะปล่อยจิดปล่อยทุกอย่างอย่าไปแบกกับอะไรทั้งสิ้นเจ้าค่ะหลวงพ่อสาธุปฏิบัติไปนะเจ้าค่ะน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุพระดาจากสาธิตชนบุรีนมัสการเจ้าค่ะ ไม่ไม่มีคำถามนะค่ะไม่มีคำถาม่ะก็ยังอดอาหารตามเดิมอยู่ตามเดิมอยู่ค่ะแล้วก็ไปกินไปลองทําแบบคุกคุกคุกทั้งหมดแล้วคุกข้าวข้ามาเลยค่ะลองแล้วค่ะอะไรดีนะเออแอบตกใจตอนเห็นตอนคุกเสร็จแอบแอบใช่ือนเลยนะ แต่กินได้ค่ะแล้วก็ไม่ไม่รสชาติอะไรรสชาติจานนั้นจานเดียวเลยอขนมแล้วก็ใส่ลงไปใส่เขไปปัญญามันต้องไปลงในท้งอยู่ดีไหมแล้วก็เห็นถึงภาพที่ดูไว้ว่าเรากิดว่าอาหารในกระเพาะค่ะออที่เคยดูไว้อ่าก็กินกินแบบข่ากิเลกินเพื่อข่ากิเลอย่าไปกินเพื่องนี้กิเลสไปกินเรื่อกิเลสที่ต้องทำแยกอาหาร ว่าต้องอาหารคาววโบแลอาหารหวานผลไม้กาแฟเครื่องดืง่มไม่ตามมาทีละชิ้นทีละอย่างเน่ยใกินแบบเลี้ยงกิเลยแล้วก็การกินแบบฆ่ากิเลยเพราะหนูรู้สึกว่าที่ผ่าน ม, ามันต้องแยกไงคะของหวานมันต้องมีของหวา น, น, ออวานคือมันไม่มันไม่เคยปนกันได้เลยแต่วันนั้นก็ปนแล้วกินได้แล้มันก็รู้สึกว่าอุ้ยมันเหมือนที่เราทําให้หมากินเลย เออแล้วก็กินต้องทําำไปเรื่อยๆจ่กล้ามมันจะมจนกลามันจะไม่ไม่ลังเกียจค่ะต่อไปจะกินอะไรก็ได้อะไรมาก็ได้ไม่ต้องแยกแยกก็ได้ไม่แยกก็ได้แต่ตอนนี้ถ้ายังอยากจะแยกอยู่ก็ต้องบังคัาให้มันไม่แยกให้มันรวมครับแต่ต่อไปแล้วมันเฉยๆแล้วกินอย่างไรก็ได้ก็กลับมากินตามปกติได้หนูแค่รู้สึกว่า ในจานกับในกระเพาะต่างกันแค่มันยังไม่ได้ผ่านกันย่อยแค่นี้ใช่นะ เ, เดี๋ยว<ห>มันจะไปรวมมันรวมไปในท้องเหมือนกันในชะ่ไหมให้มันรวมในจานก่อนเอาไว้จานดีขอบพระคุณที่อาจานแ น, นนะนําค่ะโอเคครับทูยังได้กินไม่มากกนินพอดีพอดีกินพอประมาณแล้วก็แล้วก็ยังไม่ได้กินมื้อเย็นอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็าาสัปดาห์ละครั้งอยู่ยังปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมค่ะดีค่ับทู ครับครับจ้ขอบคุณค่ะสวัสดีคุณจอยจอยอยู่ที่นนทบุรีใช่ไเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยพูดดังๆหน่อ ย, ยน ะ, าย ะ, ะมาไงพาเพ่สวัสดี <ตา S 1> ครับสาธุครับต่อเรื่องสาธุก่อ น, ะนหน่อยหน้าตาหน่อยอไปโรงเรียนหรือ<า>ยัง ไปไม่ได้เค่ะที่นนท บ, บุรีแรงมากใช่เด็ก ๆ, ๆเรียนออนไลน์ป้อนกันคือหนูอยากมีคําถามว่าถ้าเราโดนคนที่เขาไม่ได้ถือสิ่งถือธราด่าอย่างเงี้ยประจำประจำแล้วเราอยากจะถ้าเราจะหนีมันคือการไม่ควรใช่นนี้ก็เป็นด e เล y มีภาวดนาแล้วมันมันด่า ก, กับทุกว่าก็หักหัดชอบมันได้ๆๆๆๆๆๆ เช่ามาแล้วมันก็จะได้จะได้ไม่หนีเพราะดีว่าวันนี้มันมามาให้พรเราให้สี่ให้พรเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมแต่ละครฟังใต้เลยเรื่อมันมาทดสอบใจเราะใจเรายินดีกับนินทาหรือเปล่ามุจยายินดีแต่สารเสริญอย่างเดียวอยูในโน่นี้มันมีทั้งสารเสริญมีทั้งนินทาเมือนมันกินอาหารเนี่ยกินอาหารที่เราไม่ชอบ กินมันไปเรื่อยๆต่อไปพอมันชินกับมันก็เหมือนก็จะชอบมันเองเราไม่ควรหนีใช่ไหมคะไม่ควรหนีหรอกหนีไปเดี๋ยวก็มีคนอื่นด่าต่อยเมันทุกแห่งทุกคนในโลกนี้คนชอบด่าบ้างันอยู่แล้วแล้วมันมันบางครั้งมันแบบมันด่าแบบโอ้โหมันด่ามันหาว่ามันเจ็บตัวแพ้กเราเราเราเราซ้อมเสรบจมันดาอย่างไงแล้วก็มานั่งด่าเราก่อนพล้วต่อไปเวลาได้ยินขขาดาก็จะได้เฉยได้ แช่ไหมเขาด่าคาไหนที่เราไม่ชอบเราเอามาท่องเหมือนทางพุทธโทไปก่อนเนี่ยได้ใช่ไหมคะเออได้นี่ดอกนี่ดอกนี่ดอกนี่ดอกงี้ท่องไปอืมทีว่าแล้วมันตอแหละอะไรเต็มอ่นั่นแหละท่องไปคำไหนที่เราไม่ชอบท่องไปให้มันชินหูชินใจเลยแล้วต่อไปเวลามันมันม่ามาเราก็ได้เราก็ท่องตามที่มันว่าเลยนี่ดอกอินเหมือนเหมือนได้ฝึกจิตแบบ ดีมากมันได้มีเรื่องทุกวัน่าอนั่นหละชีวิตของคนเรามันต้องมีเพราะว่าเขาเรียกว่าถ้าไม่มีมาบา ร, ร, รมีไม่เกิดอ๋อนี่เขามาฝึกเราใช่ไหมคะอ่าแน่น่นะเขามากระตุ้นให้เราสร้างคัมติบา ร, รมีสร้างปัญญาบา ร, รมีทุกบา ร, รมีมปัญญาบรรังเกิดอ๋อให้เราเล่งทําให้ไปให้พ้นใช่ไหม เราต้องหัดปรับตัวเราเองให้รับกับสิ่งที่เราไม่ชอบให้ได้ปัญหาของเราไม่ได้อยู่ที่คําด่าของเราแต่ม า, มาของเราอยู่ที่ความไม่ชอบคําด่าของเขาเลยทําให้เราทุกข์ถ้าเราชอบไม่ทุกข์ใช่ไหมถ้าก็สารรเสริญเราเนี่เอาเราไม่ทุกข์ไปเลยดีใจมันก็เสียงจากปากคนเดียวกันนี้มันก็เป็นแค่เสียงนั้นเองแต่เราไปชอบเสียงเฉลิมสรรเสริญเราไม่ชอบเสียงดินทาร์บ้ากลับ มันก็เป็นแค่เสียงนะแล้วบางครั้งเขาพูดแบบมันเกินเลยแล้วมันไม่จริงอย่างเงี้ยเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้ว <c oughs> ก็ไม่จริงเขาว่าเราเป็นไฟายเราเป็นควลยหรือเปล่าเรามีเขาอะ <c oughs> แล้วก็าไปตื่นเต้นตกใจกับคําพูดว่าะทำไมเราดูความจริงซิ <c oughs> เขาชมเราสวยมันเราสวยจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ยิ้มแฟ้นเขาว่าเราสวยแล้วสวยจริงหรือ่ะมันก็ไม่สวยอย่างเงี้ยใช่ไหมเราต้องเราอยู่เราก็เป็นของเราอยู่นะั่น แต่ใจเรามันบ้างเพลงบ้ากับคำชมบ้มากับคำดา่าชมก็ดีใจสุดๆด่ดาก็เสียใจสุดๆเราต้องดึงใจไว้ให้อยู่ตรงกลางอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจถ้องฝึกสมาธิมากๆแล้วใจมันจะมีิวเบคาแล้วใครชมก็เฉยใครด่าดก็เฉยถ้าไม่เฉยแสดงว่าต้องไม่มีิวเบคาต้องฝึกสมาธิ ถ้าไม่มีตอนนั้นก็พูดโทรพูโทให้มันให้มันเฉยได้เวลาเขาด่าเราแล้วเราใจเราโกรธใจเราเสียใจก็พูดโทรพูดโทรพูโทรพูดโท ร, ดโทรเดี๋ยวพอเราควรจะแบบเฉยคือของดีที่เราต้องเก็บไว้ใช่ไหมนั่นแหละนะ ถ, ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่พัฒนาไม่ก้าวหน้าต้องอต้องคือเขาด่าได้ก็ ไม่ว่าจะให้เขามากระตุ้นปัญญาให้เราให้เกิดมากระตุ้นคันติกความวัตถุนเราให้เกิดขึ้นกระตุน้นอุเบกขาให้เกิดคื อ, อยังไงลูกก็ควรจะอยู่สู้ต่อไม่ควรไปไหนเลยคือถ้าเราต้องอยู่ก็อยู่ไปอย่าไปอย่าย้ายไปเพราะว่าเราหนีเขาแต่ถ้าต้องย้ายเพราะว่างานใหม่ที่ดีกว่าหรนะืออะไรอย่างนี้ก็ย้ายไปแต่ไม่ได้ย้ายเพราะหนีเขา พระเจ้าบอกว่าพ้านนยก็ช่วยพระเจ้า อ, อย่าอยู่ที่นี่เลยมีแต่คนดา่าพระเจ้าบอกปย้ายไปที่ก็มันก็มีคนดา่าใหม่เหมือนเดิมที่ไหนก็มีคนดาน่ามากค่ะอือค่ะกู้จะทำตามค่ะเออเนอะน้องซ้อมด่าเราแล้วมันมันมันด่าเราทําไหนแล้วก็มาท่อมด่าเราท่อด่าเราไปเรื่อยๆให้มันชินหูแล้วต่อไปเวลามันด่าเราก็าจะเฉยๆกันค่ะหนูจะซ้อม พร้อมกวันเช้อมด่าเราดูดูใจเรารู้สึกเอ้ยทำไมกูด่าทาไมกูไม่รู้สึกเดือดร้อนทำไมเขาด่ากูเดือดร้อนคำเดียวจำไหม้ชไครับได้ห้องคิดเลยเหรอลองทดลองดูนะอย่างนี้นะออไม่หนีแต่ก็ไม่ไม่หนีแต่ก็ไม่บุกนะเฉยๆอยู่อยู่อยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหว ไม่บุกเขาไม่หนีเขาเฉยๆอยู่อยู่กับที่เราตั้งหลักทําใจเราให้นิ่งทําใจให้เราอย่าไปวุ่นวายกับคําพูดของเขาพูดโทพูดโทรไปถ้ามันไม่นิ่งพูดโทพูดโทไปครับดู่างกายก็ได้ใช่ไหมคะได้เอาคําด่าเขาก็มาท่อทางก็ได้ได้หนูจะสู้เขาโอเคถ้า อ, อาทิตย์หน้ามาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงขอได้ คนมาเลเชญตาคนมาเลนันที่อยู่กรุงเทพก็อยู่ที่ไหนอยู่บางบววทองค่ะหลวงพ่อค่ ะ, ะหลวงพ่อค่ะหนูก็ยังปฏิบัติทุกวันแต่ว่าจระรบควนหาหลวงพ่อค่ะพอดีหนูนั่งนานๆถ้านั่งแบบทั้งเช้าทั้งบ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันปวด ปวที่ข้างหลังอะไปทั้งขาข้างขวาค่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็ไปหาหมอเขาบอกว่าเป็นเอ็นหนักเสกแต่ว่าหนูไม่ได้บอกว่าหนูไปทําอะไรมาหนูก็มาฝืนฝืนนั่งเนี้ยค่ะหลวงพ่อคือด้านหัดสมาธินะคะเอาเอาขาขวาครับสายแล้วทีนี้มันนั่งเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงเนี้ยค่ะหลวงพ่อทีนี้ถ้าเกิดหนูจะเปลี่ยนแบบ หมายถึงว่าเปลี่ยนเอาเอาซ้ายขึ้นมาทับแบบนี้ยมันจะเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นอะไรเปลี่ยนได้เรื่องบางทีถ้าร่างถ้าร่างกายมันเจ็บไายได้ป่วยก็ต้องรักษาให้มัญหายก่อนเนื่นงจาเกิดมันที่การพ่กายขึ้นมามันนี่จะเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมามันอาจจะต้องถามหมอเป็นเปวิธีเนข้าถ้าปล่อยออกมา ก็เปล <ator> ี่ยนมายืนเปลี่ยนมายืนแทนเนี้ยมานั่งเก้าอี้แทนนั่ก็ได้มันหนูชอบนั่งแบบคือหัดสมาธิแบบมันนั่งได้ยาวมากหนูก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะปวดจะเจ็บอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็ดีแต่ถ้าเกิดมันพลิกกลไการขึ้นมามันก็จะเป็นมันก็จะลําบากนะร่างกายนี่ยมันก็ต้องมีมัชชิมามีทางสายกาง มากเกิดไปทําให้เกิดโทษกับร่างกายก็ต้องก็ต้อ ง, งนะครับมันมันเยอะเยอะไปใช่ไหมคะหลวงพ่ อ, อ, พอคือเยอะหมายถึงมันเยอะทําให้ร่างกายเสียหายถ้าเยอะแล้วไม่ร่างกายไม่เสียหายก็ไม่เป็นไรเราดูว่าดู <ๆ S 1> ดู <ๆ S 1> ดูผลกับโทษกับร่างกายร่าง <ๆ S 1> กายนี้เป็นเครื่องมือที่เราต้องใช้ต้องอาศัยเรต้องอย่าให้มันพิการพิการว่ามันจะทําให้เราลําบาก หนูเขาบอกว่าถ้าปล่อยเอาไว้เยอะๆอ่ะมันขามันจะรีบมันจะเดินไม่ไม่ได้อะไรก็ต้องเปลี่ยนมาเดินมากเลยตอนนี้ก็คือคนค่นยาอะไรไปต้องเปลี่ยนเยยาบทยานั่าอย่างเดียวต้องเปลี่ยนรางกายมันถ้ามันอยู่ในท่าเดียวนานๆมันก็พิการได้นะก็เปลี่ยนจากนั่งมาเดินบ้างก็ได้ด้วยยืนบ้างก็ได้แต้องต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่างๆ แล้วเวลาหนูปฏิบัตินะคะหลวงพ่อหลายๆชั่วโมงแล้วทีเนี้ยพอจะกลับไปนอนมันดึกแล้วมันนอนนอนไม่หลับก็ภาวนาต่อไปเลยในท่านอนน่โทรต่อไปในท่านอนแล้วดูลมต่อไปเดี๋ยวมันก็หลับเองเราก็เลยกลับมานั่งอีกค่ะหลวงพ่อมาม า, มาทำแต่ว่าไอา้กายมันก็ปวดเอ้า่างกายมันก็ต้องพักผ่อนเหมือนกันถึงเวลาแล้วก็ท้เป็นพักผ่อน แต่เราก็สามารถทาให้มันหลักได้ด้วยการภาวนาตอนนอนไปแล้วก็ดูลงไปพูดโทรไปเดี๋ยวมันก็หลับเองค่ะหลวงพ่อคาดเดี๋ยวเดือนวันที่24ถึง28อ่ะหนูจะไปอยู่วัดบนเขาที่เดิมอีกประมาณสัก5วันนะคะหลวงพดไไไีไปเลยไปเลยท่าทีร่างก็ได้ประโยชน์มนชมนไมใ่ใช่ได้ผลดีไม่ใช่ใช่ใค่ะไปอยู่ 8-9 วันนะคะ่ะหลวงพ่อออ ให้เธอไปปิดวิเว์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหลวงพ่อวันมันจะดีกว่าปฏิบัติอยู่ที่เดิมค่ะหลวงพ่ อ, พอคือตอนนี้หนูก็ฟังที่หลวงพ่อทั้งในในเพจในของที่คุณหมอวีค่ะแล้วก็ เพะแล้วก็วันพุธแล้วก็บางทีวันนังคารถ้ามีเวลาหนูก็จะเข้าไปที่าภาคภาษาอังกฤษบ้างอะคะ่ะหลวงพ่อแล้วก็ได้ได้ตามไปไดฟังฟังอยู่ข้างนอกบ้างคะ่ะทีนี้หนูก็เข้าใจที่หลวงพ่อสอนทุกอย่างแต่ว่ามันมันก็คือมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ถึง สำเร็จขนาดนั้นนะคะหลวงพ่อแต่ว่าหนูกพ่พยายามอยู่อะคะ่ะหลวงพ่อจะทําให้ได้มากที่สุดอะค่ะคือเราต้องทําตามขั้นของเราเราอยู่ขั้นไหนแล้วก็ทําขั้นนั้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะเลื่อนขั้นไปขึ้นไปเรื่อยๆแต่เวลาเราพูดธรรมะเนีบางทีเราพูดหลายขั้นด้วยกันตั้งแต่ขั้นต่ำไปขั้นสูงสุดแต่เราไม่จําเป็นว่าจะต้องตามตามที่เราได้ยินเราไปไม่ได้หรอกเราต้องทําขั้นของเราให้มัน ให้มัได้แล้วค่อยๆก้าวขึ้นไปถึง ข, ข, ขั้นต่อไปปิดไมแล้วเด้อตอนตอนที่ปฏิบัติตอนที่ปฏิบัติแล้วมันมันนิ่งไปหมดกายมันนิ่งไปหมดทุกอย่างเนี่ยคือความเจ็บปวดความอะไรเนี่ยมันไมีเราไม่รู้สึกตรงนั้นไปเลยะะลอะค่ะหลบตอนมันนี่ยเนื้อใจเป็นอุเบกขาคือทีเนี้ยพอออกมาแล้วเนี่ย ใอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันเหมือนมันมันเจ็บเจ็บเยอะเหมือนกันค่ะก็ต้องมาดูแลมันก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนท่าจากนั่งขึ้นมาได้นึ่มายืนนึ่มานอนก็ได้เพื่อจะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่างๆที่มันติดที่มันอยู่ในอิริยาบถนั้นต้องรู้จักการรักษาร่างกายด้วยนะไม่ใช่ยาแต่การปฏิบัติจนกระทั่งทาให้ร่างกายพิกรที่การไปแล้วต่อไปจะปฏิบัติยากนะ ค่ะพาตอนตอนที่หนูไปอยู่วิเวกค่ะพระพระที่วัก็บอกว่ามันเยอะไปค่ะมันไม่เหมือนไ ม, ไม่สมดุลไม่สมดุลใช่ใช่ใช่ค่ะมันเยอะเยอะไปะคะ่ะหลวงพ่อเดือนเดือนหนูจะปรับใหม่ค่ะหลวงพ่อเดาาินน้ำทีได้ถ้าอยากจะนั่งทั้งคืนแปดชั่วโมงนี้ได้แต่ไม่ใช่ทุกคืนทุกวันถ้าเราทำทุกวันมันต้องมีมีมีประมาณ กับความสามารถของร่างกายอย่าไปทําเกินความสามารถของร่างกายเพราะมันจะเป็นโทษกับร่างกายแต่ใ<อ>นบางทีเราอยากจะเนาะ อ, อยากจะนั่งสิบชั่วโมงนี้ได้ในบางครั้งนีได้แต่ไม่ได้ทุกวันทุกคืนเป็นเดือนเป็นปีไม่ได้ ตอนตอนแรกอ่ะหลวงพ่อคะหนูหนูก็รู้สึกแปลกๆก อ, อนั่งไป น, นานๆแล้วพอลุกขึ้นหลังจากปฏิบัติแล้วอ่ะมันรู้สึกมันทรงตัวไม่ได้มันขามันแบบแปลกๆเนี่ยต้องใช้เวลานั่งกายมันต้องปรับตัวเองเวลาเปลี่ยนรอย่าะผมนะต้องคอยสังเกตดู ว, ว่านั่งกายมันเป็นยังไงมันเริ่มชำรุดทรุดโทรมจากการกระทําของเราหรือเปล่าถ้าเนระิ่มมันเาต้องปรับนะ วันนี้หนูถามคำถามแค่นีค่ะ ด, ดีจ้ะยินดียินดีทีย่<ด>ยังมีนะคาวามปยายามอยู่นะพยายชู่ต่อไปแต่ให้รู้จักประมาณหนัเ บ, เบาต้องดูความพร้อมของร่างกายด้วยค่ะเขาบอคุณพระหลวงพ่อไปที่ท่านต่อไปคุณต้อพงษ์พระพงษ์อยู่ที่ไหนหายไปแล้ว เขาคลองหลุดไปเขาไปเกาะปุ่มอะไรเขาเดินไปที่คุณนานทพัฒก่นอนแล้วแต่นะ น, านนทพัฒน์เชกลาวน า, าักานส ก, การเจ้าขาผู้อาจารย์ค่ะวันนี้มีอะไรไหมมีนิดหน่อยเจ้าขาผู้อาวุย์แล้วมีคุณป้าท่านเดิมที่อยู่ในเฟซบ o ๊กฝากถามด้วยเหมือนกันเจ้าขาผู้อาวุโสขอโอกาสนะเจ้าขาเชนเชค่ ะ, คะสําหรับของลูกอะค่ะก็ กับเรียนพระอาจารย์ว่าที่ปฏิบัติก็ไม่ได้ทำสมถะเท่าไหร่เพราะว่าลูกทำงานหนักเหมือนกันจะหาพระอาจารย์กว่าจะเสร็จบางทีประชุมเสร็จสามเกือบสองสามทุ่มกว่าจะได้พักอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ทำตามกำลังไปก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ปัญญาสกัดก่อนเหมือนที่เรียนพระอาจารย์ไว้เจ้าค่ะอย่างบางทีอย่างช่วงที่ผ่านมาเจออ่น้องที่ทางานกับเราเขา ว่าต่อว่าเราใส่ในไลน์กลุ่มอะไรเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าเราไม่รู้สึกโกรธเขาเลยแต่มันมีคํานึงขึ้นมาเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเขาอยากเกิดอีกก็ปล่อยให้เขาทําไปอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็ทําให้เราหยุดได้เจ้าค่ะพระอาจารย์หยุดหยุดที่จะตอบโต้เขาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ให้อภัยไปแล้วเราก็วันรุ่งขึ้นเราก็ทํางานกับเขาเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ก็ยังพอพอใช้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระได้ถ้าจิตเราไม่มีอะไร ผูกพันกับใคร อ, อดีตก็อ่านไปแล้วอยู่ในปัจจุบันเจ้าค่ะเพราะว่าเพราะว่ า, า, วาก็ก็ไม่ได้ถือสาน้องเขาเลยเพราะว่าเขาเขาเหมือนกับอาจจะ ง, งานเยอะแล้วเหวี่ยงภาษาทางโลกเขาเรียกว่าเหวี่ยงอนะเจ้าค่ะอาจารย์ก็ว่าก็แสงว่าเราให้อภัยก็แล้วเอาเวลาโหนตัวไม่จองเวรจอง ก, รรกํ า, ามแบบนั้นอยากให้แา่เมตตาเนี่ยวิธีแผ่เมตตาต้องแผ่แบบนี้ไม่ใช่เรานั่งสวด อ่าใช่ลูกล ก, ก็นึกถึงคําพะอาจารย์เจ้าค่ะว่าเอออันนี้น่าจะเป็นเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าเราแผ่เมตตาจริงคือเราไม่โกรธเขาจริงอไม่โกรธเขาจริงตอนโดนอีกเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะแต่พอหลังจากนั้นเราไม่แก้แค้นเขาไม่โกรธเขาอะไรเงี้ยอันนี้คือเหมือนกับว่าลูกมองว่ามันได้ผลกว่าเเเเจ้้้าาาาาคคค่่่ะะไดดแสงวววรมมมมีตตเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็ ลูกกลับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะอย่างพระอาจารย์บอกลูกว่าให้หาโอกาสไปปลีกวิเวกใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ลูกมีข้อนิดนึงคือการที่ลูกจะเลือกวัดไปปีกวิเวกอ่ะเจ้าค่ะตอนเนี้ลูกลูกถือความสําคัญคือคุณแม่ลูกอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ถึงแม้ท่านจะอยู่คนละจังหวัดแต่ท่านจะเช็คลูกทุกวันอ่ะเจ้าค่ะว่าลูกไปไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าถ้าลูกไปวัดที่ที่เขาไม่ไม่ไม่มีความสบายใจก็จะทําให้เขาเกิดความ อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอาจารย์ลูกลูกก็เลยใช้วิธีคืออาจจะหาวัดที่เขาสบายใจก่อนแล้วก็ไปอยู่แต่ก็คือแอบไปอยู่ในส่วนของวัดนั้นที่อาจจะปลีกไปนิดนึงอย่างเงี้ยได้ไหมเจ้าค่ะพอาจารย์อาจจะไม่ใช่วัดที่แบบว่ากลางป่าหรืออะไรที่ที่ถ้าแม่แม่ถามแล้วกลัวเขาไม่สบายใจอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์อันนี้ก็มันเนีที่เราองต้องคิดเอาเองก็แล้วกันอือฮึ เพราะเราเราเป็นคนปฏิบัติเราเป็นคนที่เราเราเป็นเหมือนคนไข้เราจะไปรักษาโรงพยาบาลนี้แต่แม่เขาไม่อยากให้เราไปรักษาโรงพยาบาลนี้ให้ไปโรงพยาบาลหนึ่งเราจะตามใจใครดีตามใจเรารู้ตามใจแม่กอดเดี๋ยวหาวิธีค่ะพระอาจารย์ต้องตามใจแม่ก็ต้องไปไปไปที่วัดที่เขาอยากง่าย ไ, ไปแต่อย่าตามใจเราเราก็ต้องไปวัดที่เราต้องต้องที่ว่าเป็นประโยชน์กับเรา อืมเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปพิจารณาอีกทีเจ้าค่ะพระอาจารย์บางทีไม่แต่คัะมันก็มันก็มันก็คาลาคาสังไปเรื่อยๆอืมค่ะเขา้ขาใจเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็อีกเรื่องหนึ่งที่ลูกเจอกับตัวเองคือมีอันหนึ่งคือความอยากสำเร็จเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่ลูกเห็นแล้วพอพอคิดได้อันนึงคือปัญญามันก็เข้ามาว่า ให้ยอมรับผลการปฏิบัติณนะปัจจุบันพอพอคิดอย่างนี้ได้มันสบายใจขึ้นเยอะแล้วมันก็ทําแต่เหตุนะคะอาจารย์อันนี้ถูกไหมเจ้าคะถูก <พา S 2> ต้องให้เน้นไปที่เหตุความอยากสาเร็จมันก็มีมีได้แต่มีเฉพาะช่วงเริ่มต้นว่าอยากจะสําเร็จเพื่อที่เราจะได้ไปทําเหตุที่มันจะทําให้เราสําเร็จพอเราเริ่มทำเหตุตอนที่เราก็จดจ่ออยู่ที่เหตุจะไปจดจ่ออยู่ที่ความอยากให้มันสําเร็จ เจ้าค่ะถ้างั้นก็ถูกเลยอย่างที่อย่างที่คุณบอกว่าทําไปแล้วได้ผลมากน้อยเท่าไหรก็ต้องยินดีตามสภาพไปตามกํากลังเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันคลายเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์<ม>ความเกลงความอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ<ช> ม, มันคลาย ม, มันคลายไปเลยก็<ห>มองว่า ผ, ผลเกิดจากการปฏิบัติไม่ได้ผลเกิดจากความอยากเลยเจ้าค่ะค่ะค่ะสําหรับของลูกมีเท่านี้ค่ะทีนี้ของคุณป้าคุณป้าเปลยนะคะที่ท่าน อาจจะฟังเฟซบุ๊กอยู่ท่านฝากรบกวนถามข้อแรกที่ต่อเนื่องจากเขาที่แล้วเขาที่แล้วท่านถามเรื่องการเข้าอัปปนาสมาธินะเจ้าคะ่ะคราวนี้ท่านท่านกลับให้กลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าการเข้าออกสมาธิเนี่ยสําคัญไหมเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ที่เราจะต้องสังเกตเวลาเข้าเวลาออกแล้วเราต้องเข้าให้ได้หรือไม่ได้เนี้ยเจ้าไม่ต้องสังเกตก็สังเก ต, ยเกตยอยู่ที่ตัวเดียวคือสติถ้าวันไหนสติเราดีมันก็เข้าง่ายเข้าเร็วเข้านาน มันนัไม่มีสติจิตมันก็ฟุ้งซ่านคิดเรื่องนู้เรื่องนี้มันก็มีแค่นี้แหะที่จะทำให้คือให้รู้ว่าตัวสําคัญของการนั่งสมาธิก็คือการมีสติสตนะพยายามฝึกสติให้มากๆให้ใจมีสติก่อนมานั่งไม่ใช่ม า, มาสร้างสติตอนที่เราเพิ่งมาเริ่มนั่งอืก็ก็ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราเริ่มนั่งสมาธิจะเข้าทําสมะถะให้จดจ่ออยู่กับการภาวนาที่เป็น เราจับอยู่ใช่ไหมเจ้าคะพ่ออาจารย์ไม่ต้องดูว่าเข้าออกยังไงอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะพ่ออาจารย์คือไม่ต้องไปดูม嘛ให้ดูว่ามีสติแล้วไม่มีสติเอาค่ะไม่ไปกินไปกินอาหารเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปดูว่าเราจะเข้าร้านอาหารทางทางด้านซ้ายหรือด้านขวาหรือว่ามีเงินจ่ายค่าอาหารหรือเปล่าอา๋อค่ะพอดายไหมค่ะพอดีอคุณคุณป้าท่านนี้ท่านท่านมีความกังวล บ, บอกให้บอกให้ขันดูว่าเรามีสติหรือเปล่าเราพูดโธรอยู่ในใจหรือเปล่าจิตเราไม่ไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตหรือเปล่าแค่นั้นแหละถ้าจิตว่างจิตไม่คิดเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วแต่ถ้าจิตยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เวลมามันนั่งสมาธิมันก็จะไม่มีวมันสงบได้ค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้ถ้า ที่ที่ท่านท่านอาจารย์บอกว่าระหว่างอรูกประชานกับรูกประชานมันมีรอยต่ออย่างเงี้ยตรงนี้เราจะสังเกตยังไงเขาว่าเราไม่ได้เลยไปอ๋อ ไ, <ป>ไม่ต้องกลัวส่วนใหญ่ไปไม่ถึงกับลูกประชานอ๋อมันได้แค่ชาดสีนี้ก็ถือว่าสุดกำลังของเราแล้วคนที่จะไปรูกประชานี้ต้องมีสติระดับหนึ่งไม่ต้องกังวลอ่ะมัน ขอให้มันไปได้รู้ไปได้ฌานสี่ให้ได้ก่อนให้มันเข้าไปสู่เอกขั้กตารมสัก์แต่ว่ารู้อุเบกขาให้ได้ก่อนแล้วให้มันอยู่นานๆอ่าแล้วก็รักษามันอยู่ตรงนั้นไปมันจะขึ้นต่อนจะเอาจากจุดนั้นไปมันต้องมีการกําหนดอารมณ์ใหม่ขึ้นมาเป็นอารมณ์แทนอารมณ์ที่จะทําให้จิตเข้าสู่ความสงบลึกไปกว่านั้นค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งเจ้าขาพระจันทร์ แล้วเรื่องของการที่เรานั่งสมาธิแล้วเข้าผวังอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือที่อาจารย์เคยถามหลายๆท่านว่าตอนนั่งมีสมีความรู้หรือเปล่าใช่ไหมเจ้าค่ะใช่หลับหรือเปล่ามันมีสองผวางเลยผวางหลับกับความผวังความความสงบถ้ามีสติมันก็สงบมันก็เป็นสมาธิถ้าไม่มีสติมันก็หลับ แล้วแล้วพอดีคุณป้าท่านเนี้ยค่ะท่านบอกว่าสมัยที่ท่านปฏิบัติช่วงก่อนที่ผ่านมาท่านเคยมีเหมือนกับว่าเข้าเข้าสมาธิคือมีการเจริญสติตลอดวันปฏิบัติทั้งวันเข้าสมาธิตลอดทั้งวันแล้วพอตอนออกสมาธิมาเกิดเหตุการณ์หนึ่งคือเหมือนกับมันค้างอะค่ะพระอาจารย์แล้วการขับรถก็ก็ทําให้ขับรถชนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าข้าพระอาจารย์มันก็เลยลูกก็เลยงงว่าถ้ามีการ มีอุเบกขาแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะหรือว่าเขาติดสมาธิแล้วถอด อ, ออกจากสมาธิไม่หมดหรือยังไงเจ้าคะลูกไม่มั่นใจไม่มีสตินะถ้ามันไม่มีสตินั่นก็ไปทําอะไรบบ <c oughs> นะเบือเบื่อะไรงั่ก็บอกเขาถ้ามีสติมันก็จะไม่มันก็จะไม่ทําอะไรค่ะมันจะรู้อยู่ทุกขณะว่ากาำลังทําอะไร ค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าให้เจริญสติทั้งวันมันก็ช่วยมาซับพอร์ตตรงตรงการปฏิบัติตงนี้ด้วยใช่ไหมเจ้ า, าค่ ะ, ะ, คะ อ, กอก่ก็ต้องมีสติก่อนมันถึงจะปฏิบัติได้ค่ะเจ้าค่ะก็ก็เหมือนกับแล้เวลาอยาสมาธิก็ต้องมีสติรักษาต่อไปไม่ใช่ทิ้งสติแล้วก็มาเบลอเบลอไม่รู้เหนือรู้ใต้เดี๋ยวมื่ขับรถไปชนกันได้ เหมือนกับบางทีตรวจงานก็ตรวจผิดอย่างนี้ก็คือถือว่าไม่มีสติอย่างนี้ัไม่มีสติแล้วเอใจลอยแล้วใจไ ม, ออาาไม่อยู่กับงานที่กําลังทํายู่ไอยู่ก็แบบอยู่แบบเบลอๆแล้วแล้วเหมือนลูกเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านพูดว่ามีพระบางท่านนั่งนานจนออกจากสมาธิไม่ได้อย่างเงี้ยจ้ะค่ะป้าป้าเขาก็เลยถามเรื่องการเข้าออกสมาธิเหมือนกับว่าเพื่อนลูก เรื่องกไปแล้วยังไม่ออกได้ทุกคนอ่ะถึงเวลามันออกได้ทั้งนั้นอ่ะมันออกช้าหรือออกเร็วนั่นเองแต่มันต้องออกมามันไม่มันไม่อยู่ในสมาธิไปตลอดเจ้าขาอาจารย์เีาฟังอะไรก็อย่าไปฟังมากและเชื่อเรืองที่ไม่ได้พิสูจน์ค่ะได้เจ้าขาอาจารย์สำหรับ วันนี้ลูกมีเท่านี้เจ้าค่ะพระจันทร์ก็เดี๋ยวไปปฏิบัติต่อเจ้าค่ะพระจ้าเชิญเลยได้กําลังตามกําลังเจ้าค่ะขอกลับขอเข้ามาเจ้าค่ะคุณคุณบิวตี้เชิญกลัไไปคุณบิวตี้อยู่ที่ไหนคุณบิวตี้อ่าเปิดไม้เป็นมไหมอ e w microphone กลับนมัสการเจ้าค่ะอยู่ภูเก็ตเจ้าค่ะ เขาที่เคยเข้ามาคราวที่แล้วที่เปนเพื่อนกับยาใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอมีอะรไหวันนี้อ๋ไม่มีค่ะเข้ามาฟังค่ะเจ้าค่ะันนี้เฉยนะค่ะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะคุณสัตย์ทีไม่ทราบว่าจะพูดหรือเปล่ามีแระชาเขียวสีเขียวอาจจะสายทิพย์ครับเอาสายทิพย<ะ>์วอไ <ป S 3> คุณคุณภาพผมอยู่ตั้งล่างนะครอาจารย์คุณภาพผงนะฮะทิพย์เมื่อกี้หลุดไปนะฮะ ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยว่าไปก็แล้วกันนะว่าเอาเอาเอาภาพต่อไปก่อนมันขี้เกียจวิ่งไปวิ่งมา ค, ค, คณสุนิสาเชิญใช่ไหมคนสุสุกสุกิลาคุณสุกิลาบ้ า, ม า, มานอมกับนมัส ก, การ์ค่ะพระ อ, อาจารย์มีอะไรไหมมีคำถามไหมมี คำถามที่ลูกได้ฟังทำมาจากท่านไหนาวันพระที่แล้วแล้วทีนี้มันมีคําหนึ่งแล้วก็ทําให้ลูกเนี่ยอยรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจได้ฟังคำที่ว่าพระอาจารย์บอกว่าของตัวเองก็หนักอยู่แล้วและยังจะไปเชิญเอาของแฟนของขันคงอื่นมาหนักและคําคํานี้ก็เลยทําให้ลูกว่าเออ เอามาคิดแล้วก็รู้สึกว่าปลื้มแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นคำที่ให้ลูกแบบไม่รู้ว่าเกิดปัญญาหรือเปล่าคะก็เป็นปัญญาเลยนะให้เราให้เราปล่ย อ, อยวางจะไปแบบคนเ่ยจา<ม>้าแล้วก็ทำให้ลูกแบบมีความสุขรู้สึกว่าเออเห็ น, เ ห, นเห็นสามีเห็นอะไรก็รู้สึกเออเรามีความสุขตรงที่ว่าเออคำคำนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเออใช่ ใช่เลยอย่างเงี้ยเอ่นั่นแหละปัญญามันทําให้เราปล่อยวางไม่ไปแบกเขาแล้วจ้ะเขาจะเป็นจะตายกันเลยของเขาจะก็จะดีจะชื่วกันเลวของเขาจ้ะถือว่าเป็นปัญญาแล้วใช่ไหมคะใช่แต่ก็ไม่ทอดทิ้งกันนะดูแลกันอยู่ไม่ไม่ไม่ะก็คือหน้าที่ก็คือหน้าที่แต่ไม่เป็นเจ้าหนี้เจ้าการกับชีวิตก็พูดกับลูกลูกกษัตริย์บอกว่าฉันยังมีหน้าที่ ฉันก็ต้องดูแลหน้าที่แต่ให้ทิ้งแบบว่าไปเมื่อก่อนนี้เขาให้หนูรักษาแต่สินห้าทีนี้พอเขาเดินไม่ได้ที่หนูเคยเข้ามาปึกให้ทางคำกับท่านพู้อจานที่ว่า เ, เขาเดินไม่ได้อยู่เป็นเดือนสองเดือนทีนี้เขาก็เลยให้ลูกมารักษาสินแปดยอมให้ให้หนู แยกแยกแล้วทีนี้หนูก็เลยบอกว่าเออพอมาได้ฟังธรรมะของท่านพ้าอาจารย์แล้วเรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้แบกอะไรวันนั้นรู้สึกว่าเออเออแอดดี้ฉันรู้สึกว่าฉันมีความรู้สึกอิ่ม อ, อกอิ่มใจในคําคํานี้จังเลยเขาก็เลยบอกว่าทีนี้คุณไปฟังที่ไหนเราบอกฟังที่ไอ้วันพระที่ของท่านพ้าอาจารย์ เขาก็เลยบอกสาทุเขาก็สาทุกันหนูก็เลยบอกเออแล้วทีนี้หนูก็เลยจะเตรียมคําถามนี้มาถามท่านพระอาจารย์ว่าเออมันเกิดปัญญาใช่ไหมคะใช่ใช่เป็นปัญญามันเห็นทุกเห็นการที่เราไปทุกกับคนนั้นคนนี้นะ่ะมันเป็นเป็นกิเลส ข, ของเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยไปทุปกับเขาจ้ะ นี่แล้วก็อย่าไปทุกข์กับเขาต่อไปนี้เขาจะเป็นอะไรเขาวัดเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาแต่ก็ดีอยู่ที่เขาไม่ขวางขวางทางหนูเวลาหนูไหว้ผ้าเวลาอะไรเขาก็บอกอยู่ไม่ไปไหว้ผ้าหรออยูไห้นั่งสมาธิไม่ทําถ้าไปนั่งนานเขาก็จะไม่ยุ่งกันหนูเขาก็จะไม่ไม่มาเออจะแม่ไปเขาจะบอกจัง หมราช่ไหมคำถามอะไรไหมหมดแล้วจ้ะมีคำถามแย่นี้กลับนมัสการค่ะอ้าทุอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอเคืมไปที่ USA ไปที่เท็กซสกันเล็หน่อยวันนี้ดัลลัสเท็กซัสุณสมัครจ่ากลับนมัสการพระอาจารย์เ จ, จ้าค่ะลูกขอมาร่วมฟังเจ้าค่ะไม่มีคำถามอย่างนี้ไม่มีลแล้วเนะ เข้าใจหมดแล้วนะคอนใจหมดแล้วดีช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ใช่เจ้าค่ะช่วงนี้บอกว่ามันมีความขี้เกียจแต่ว่าลูกอาศัยที่พระอาจารย์สอนว่าให้ทําเป็นตารางเจ้าค่ะขี้เกียจก็ยังก็ยังทําำก <laughs> ็มันเป็นแค่ความรู้สึกที่เข้ามาว่าว่าขี้เกียจแต่ว่าก็เดี๋ยวมันก็คงไปก็แต่ก็ยังทําเหมือนเดิมตามตารางเจ้าค่ะอ่า ก็มองว่ามันมันมีความรู้สึกเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปแต่ว่าเรายังคงทำเหมือนเดิมเจ้าค่ะหน้าที่นจิ น, นข้าวถึงเวลาก็กินถึงเวลาก็ปฏิบัติน ะ, ะถ้ามันไม่กินไม่ปฏิบัติมันเดี๋ยวก็จะเกิดปัญหาตามมาได้ เด้อค่ะก็ดู ม, มันไปว่ามันขี้เกียจเนาะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรขี้เกียจก็ขี้เกียจไปแต่เราก็ยังทาหน้าที่ของเราอยู่เจ้าค่ะวันนี้<ม>สามีฝากซฮัโหลพู้อาจารย์เจ้าค่ะได้ก็ฝากเซย์ฮ ล, ลกลับไปด้วยนะเด้อค่ะฝเจ้าค่ะกขบขอบอกขอบอกขอบอกขคุณกขอบอกขอบอกออกขอออ นัการวัฒนการเจ้าค่ะหรือชื่อปลาเจ้าค่ะปลาค่ะปลาอ๊นะค่ะเจ้าค่ะกินันในวันนี้อ่าวันนี้ก็พยายามกินข้าวจากสองมื้อเหลือมื้อกว่าเจ้าค่ะหนึ่งครึ่งเจ้าค่ะอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นแบบมันหิวเจ้าค่ะก็ดีพยายามลดปริกาณรับประทานอาหารได้ประโยชน์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ค่ะรู้สึกว่ามันสบายมันเบาขึ้นนะคะค่ะ <c oughs> แต่ว่าคือยังต้องไปออกกําลังกายอยู่ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมันน้อยไปหรือเปล่าเจ้าค่ะอ๋อเปลี่ยนวิธีออกกําลังกายจากวิ่งมาเดินเดินเดินโยกงงแทนก็เดินจยกงก็ได้ออกกําลังกายเหมือนกันแล้วไม่หักโ <c oughs> หมไม่หักผมเจ้าค่ะ พระอาจารย์เจ้าคว้าแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งพอดีอมีเรื่องเครียดอ่ะค่ะก็ไม่นอนไม่หลับก็เลยเปลี่ยนจากไห น, นก็นอนไม่หลับนะพยายามตั้งสติอ่ะค่ะพยายามอดูลมหายใจก็ก็ไม่นอนค่ะวันนั้นคืนนั้นก็นอนไปประมาณจุบเกือบสองชั่วโมงอค่ะตอนเช้าก็คิดว่าคงจะต้องง่วงแต่ก็แปลกว่าเออมันก็สดชื่นทั้งวันเลยค่ะแล้วก็ไม่ง่วงเลยอะค่ะ ก็เลยแบบสงสัยว่าการที่ดูลมหายใจมันก็เหมือนกับเราได้พักผ่อนด้วยหรือเปล่าเจ้คะก็ได้พักผ่อนคือเราไม่คิดอย่างเราพักผ่อนทางนั่งกายแล้วก็พักผ่อนทางใจด้วยใจเราก็ไม่คิดก็เลยทำให้เราไม่รู้สึกง่งไม่รู้สึกเหนื่อยคุณค ะ, ะนักการถามครับอาจารย์จิตสังขารนี่เป็นเป็นลักษณะเป็นอารมณ์หรือเป็นคือคือจิตที่นันใน มีตัวทํางานอยู่สี่ตัวดูมิธนาสัญญาสังขารมินยาสังขารก็คือความคิดเนี่ยความคิดแต่งนะคความคิดปรุงแต่งคคิดจะไปนู่นคิดจะมานี่คิดถึงวันนั่นคิดถึงวันนี้เยสังขารมันมันมีอาการมี้ครับอาจารก็คือว่าเอ่อวันก่อนก่อนก่อนหน้านั้นเน่ยมีปัญหาเรื่องการทํางานนะครับอันนี้พอพอในเอน่อก็คืนเราก็นอนไปปกติ ตอนเช้าก็จะตื่นขึ้นมาพานาตามปกติครับอันนี้ระหว่างพานาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเดิมเราก็จะเหมือนกับว่าพอพอเราเราจิตรวมแล้วเนี่ยพอเราเราก็จะรู้อะครับรู้ว่ากําลังคิดรู้ว่าอะไรซึ่งเราก็เราก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใส่ใจมันอยู่แล้วก็สัตว์แต่ว่ารู้ครับแต่นี้พฏิีว่าวันนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าผู้รู้มันกลายเป็นผู้คิดไป <c oughs> คิดว่าลู้ก็เลยคิดคิดใหญ่เลยคิดอีหลุมตรงกางไปเลยครับแล้วก็แบบว่า แล้วก็เอ้ยนี้แล้วเราก็กลับมามาันนะฮะว่าว่าเอามาไหลไปแล้วนะเราปลุมไปแล้วนะอะไรอเงี้ยครับอันนี้ก็เลยว่าไม่แน่ใจว่าอาการอย่างนี้มันเกิดมันมันเป็นลนักษณะจะเรียกว่าจิตสังขารจิตสังขารได้ไหมครับคือจิตไม่ใช่จิตตลอดเวลายก่วนเวลาที่เราใช้สตคิคอยหยุดมันเช่นพุโทโธพุโทโธครับแล้วพอเราไม่มีสติมันก็คิดไปนกึกนอดไม่งเอเขาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องบังคับมันมันไปของมันเอง แต่ถ้ารู้ถ้ารู้ถ้ารู้ว่าคก็หยุดมันท้าพุทโธแทนสวดมนต์ไปก็ได้อันนี้มันมีความครับมันมีความคิดซ้อนขึ้นมาครับระหว่างที่เหมือนกับเราก็เรากําลังตามทันนะครับว่ามันคิดแล้วมันกําลังไหลแล้วแต่ว่ามันก็มีความคิดซ้อนขึ้นมาว่าเหมือนกับว่าเอาก็พิจารณาไปเลยสิก็แบบพิจารณาให้เป็นใจรักไปเลยสิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเราก็เลยเหมือนกับกลายเป็นเป็นไปคิดตามแทนนะครับ นั่นแหละมันหลอกมันหลอกเรานะมันไม่ยอมให้เราหยุดคิดมก็อ้างมันก็อ้างให้เราคิดต่ออืมตอนนี้มันเราต้องหยุดคิดเท่นั้นนะมันถ้าเราถ้ารู้ว่าเป็นไตรลักษมันมันมันก็ปล่อยให้มันคิดมันก็ยิ่งคิดใหญ่ไว้ให้มันอยุดเองมันไม่มีวันหยุดต่อความคิดเลยครับรู้สึกว่ามันมันโดนหลอกแล้วมันจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าพไหลไปเนี้ยคือปกติผมจะเป็นอนาปาณสติ์แต่ว่า ถ้าถ้ามันไหลไปอย่างนี้เราควรจะพุโทพโธไาจครับกับเรามากกว่าโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้อยู่ในท่า น, นั่งสมาธิครับรครับโธครับครับแล้วมีเรื่องหนึ่งดีใจครับพอดีว่าช่วงช่ว ง, วงต้นๆได้ ย, ยินพระอาจารย์กล่าวว่าเอุอเบกขาเนี่ยจะได้จากการฝึกฝึกสมาธิฝึกสมาธิใช่ไหมครับคือคือวันนั้นนะฮะพอมันมีอาการไหลไปแล้วเนี่ยพอ เราเราก็ถอนออกมาแล้วแล้วระหว่างวันนี้มันก็มีความรู้สึกมันเหมือนมีมีความมันตกผลึกมาครับว่าว่าจะอุเบกขาเนี่ยเราต้องได้จากการฝึกสมาธิแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจําวันแต่ถ้าเกิดสมมติเราจะฝึกสติเนี่ยเราต้องฝึกในชีวิตประจําวันแล้วก็เอาไปใช้ตอนที่เราฝึกสมาธิาครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็น่าจะถูกทางหรือเปล่าครับ คือเราใช้สติทุกเวลาไม่ใช่ไม่ว่าเราจะนั่งสมาธิหรือไม่นั่งสมาธิเราใช้สติตลอดเวลาเพื่อควบคุมใจให้ไม่เป็นกลางหรืหอรักษาถ้ามันเป็นกางเราก็การักษามัเป็นกางต่อไปครับนั้นต้องใช้มันตลอดเวลายิ่งมีสติมากเท่าไหร่เราก็จะควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์ของเราได้ได้มากขึ้นไปตามนั้น ท่านนักประเสริฐนะท่านท่านประเสรสิฐพันธุ ก, กรรครับอาจารย์ครับครับก็ก็เข้ามาฟังด้วยครับแล้วก็อีกนิดหนึ่งครับคื อ, อ, อพยายามจะท่องพุโทโธอยู่เกือบทั้งวันนะครับช่วงเช้าก็พอพอเราฝึกสมาธิได้สักสักสองช่วงคือช่วงละหนึ่งชั่วโมงครับ พอสองช่วงแล้วก็เดินจงกรมปกตินะครับแต่สักประมาณสองถึงสามชั่วโมงถ้าเผื่ช่วงบ่ายปุ๊บนี่หรือช่วงเย็นๆก็ไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิได้ครับอาจารย์ครับนึกพุโทโธไม่ออกครับมันจะมีวิธีไหนที่ทําให้เราเราสามารถปฏนดิบิเราสามารถนั่งสมาธิได้เยอะขึ้นไหมครับอาจารย์ครับได้ก็ดูนมไปนะไ ม, ไมพุโทโธนั่งดูลมหายใจก็ออก เออพยายามดูแล้วเอเ อ, อผมพูดผิดครับพยายามพยายามนั่งปุ๊บเกิดไม่สามารถนั่งได้ครับรู้สึกลำคาญ ร, รู้สึกก็ต้องสวดมนต์ไปนั่งสวดมนต์ไปก่อนนั่งสวดมนต์ไปก่อนเลยครับครับโว์เอทีพีโชไปหลายหลายจบไมได้เดี๋ยวพอได้สติกลับมา ความนำคาญก็จะให้ไปแล้วก็นําดูวงต่อไปก็ได้ครับพระอาจารย์ครับแสดงว่าส ต, สติหมดกําลังสติหมดกาลังนะครับใช่ควบคุมว่าพวบคุมใจไม่ได้มันก็เลยใจก็เลยเลิตอารมณ์ขึ้นมาให้หมดเหยียดําคาญครับพระอาจารย์ครับแล้วเกิดถ้าเราเดินเดินจงกรมเราเดิน เราเดินแบบปล่อยแขนธรรมดาได้ไหมครับเพราะว่าประสานไว้แล้วมันบางครั้งก็ปวดแขนครับได้ได้ไดธรรมดาอย่าไปแกว้งให้มันดูหน้าเกลียดก็แล้วกันให้อยู่ในท่าสัมโนเท่าที่จะทําได้เพราะถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การเป็นเป็นปฏิบัติบูชาครจะให้เราอยู่ในระยะบทที่สัมโนงครับข้าจารย์ครับครับ มีคำถามเท่านี้ครับพระอาจารย์ครับขอบพระคุณพระอาจารย์อย่าสูงครับยินดีคุณขนก ร, ออร่เชิญอยู่ที่ไหนคุณนม อ, อ่ออยู่ยุธยาค่ะยุธยามีอะไรไหมวันนี้วันนี้ห น, นูมีคําถามค่ะอ า, าจารย์พระอาจารย์คือมีคําถามว่าอาการเมือยล้อยกับอาการสร้างเหมือนกันไหมคะแล้วจะมีวิธีแก้ไขบ้างก็เหมือนกันคืออาการขาดสติ่ ต้องใช้พุโทโธพุโทโธพยายามขยันท่องพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจแล้วเราก็จะเึ็งใจให้กลับมามีสติให้รับรู้ว่ากําลังทําอะไรให้หยุดคิดฟุ้งซ่านได้ไม่ให้เหมืนอนรอยได้เพราะตอนนี้พยายามกําลังทําอยู่ค่ะแต่ว่าคือเป็นช่วงระยะเวลาที่สันส้นๆแค่ประมาณไม่เกินสิบคำยี่สิบคำก็จะขาดสตินะแล้วจะมีวิธีไหนแก้ให้มันดีขึ้นกว่า น, นี้ไหมคะก็ดูงานที่เรากําลังทําอยู่เรากาลังทําอะไรก็ให้จดจอดดูงาน อยู่กับงานที่เราทําอยู่การกินข้าวให้อยู่กับการกินข้าวอย่างเดียวพ า, ารอาบน้ำให้มันอยู่กับการอาบน้ําอย่างเดียวให้มันอยู่กับร่างกายคอยเข้าถึงร่างกา ย, ย, าากายว่ากำลังทําอะไร <Okay. S 1> แล้วมันก็จะไม่เหมื่อลอยมันก็จะไม่คิดคุ้นชินหรือท้าทำทั้งสองอย่างควบคู่ไปก็ไดดูด้วยแล้ ว, วก็พูดโทรไปด้วยได้ค่ะยิ่งดีเป็นเหมือนเชือกสองเส้นก็ okay. ก็ก็คือหนูก็ไปพยายามปฏิบัติอย่างนั้นหนูค่ะก็คือว่าดูไปด้วยแล้วก็คือฟองไปด้วยแต่บางทีมันก็กหลุดทีนิดเวลาหลุดกือหลุดยาวเลยค่ ะ, ะแล้วกว่าจะกลับมาได้ใหม่เนี่เกือบเป็นแบบครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยืเวลาจะส่วนส่วนบทสวดมนต์วนวนให้มันสวดจนยาวมันจะได้ไม่ไม่หลุดก็ได้สวดเอติปิโสไปแต่แต่แต่ที่หนูสวด น, นะคะเอติปิโสก็พยายามบิดป่อยแต่ว่าสวดชินนัมบัญชอนนะคะ ก็มาจิตเท่าไร น, นะคะอันใดก็ได้ที่ทําให้จิตเราไม่ดลดให้อยู่กับการสวดได้ก็สวดอ น, นั้นไปก็ค่ะมีอะไรไหมที่นี้นะค่ะพระอาจารย์โอเคเป็นไปที่ท่านต่อไปนะบนสภัฒนาจากบอวินเหมือนกันใช่ไหมบอวินจากบอวินเจ้าค่ะพระอาจารย์เอได้ยินแล้ว <นะ S 2> ชัดเจนดี ว, วันนี้ได้ยินใช่ไหมเจ้าใส่หูฟังเจ้าค่ะพระอาจารย์ วันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์นะคะไม่มีคําถสุขางไว้เอ่อที่ท่านสุขุมว่าโยมถามว่าการละวางกับการปล่อยวางนี่อันเดียวกันไหมเ้าคะอันเดียวกันนะคือไม่ไปยุ่งเขาเขาจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปเขาจะเป็นยาตายเขายาอะไรไม่เดือดร้นใจเราไม่ไปเดือดร้นไม่ไปยุ่งกับเขาค่ะก็คือพอหยุดอยากปุ๊บมันก็คือจะวางได้เจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วแล้วต่อไปนี่ พยายามปล่อยทุกอย่างอยังยึดอันใดอยู่ก็ปล่อยมันปล่อยมันค่ะแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าก็คือการไม่ยึดมั่นถือวันใ ช, ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่การปล่อยก็ไม่ยึดเนื้ออันนี้ก็จะเพียรทำเจาา้าพระพาราจา์อ่าค่ะก็มากราบพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะอะปล่อยให้หมดว่าสิ่งใดที่ยึดมันจะทําให้เราทุกเวลามันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันจะทําให้เราทุกได้ ถ้าเราปล่อยแล้วมันจะเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนอนะคะของคุณเจ้ขาข่าพระอาจารย์โอเคคุณยศศิษย์เชิญคุณยศศิษย์ท่านต่อไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่อยู่ที่บางแสนครับพระอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้ที่ครั้งก่อนที่กลัวเป็นมะเร็ง ท, ที่ที่ไปตรวจมาครับพระอาจารย์ลแล้ว แล้วก็อผลมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าได้กดไหล ย, ย้อนมามันมันมันมันก็ทําให้ให้เวลาอ่านั่งนั่งนั่งภาวนาครับอาจารย์มันจะจุกแล้วมันภาวนาได้ยากเหมือนหายใจไม่สุดอะครับอาจารย์มันจะได้ประมาณสามสิบนาทีประมาณนี้ตลอดเลยครับอาจารย์เป็นเฉพาะเวลานั่งไม่หรือเป็นเวลาเวลาอื่นก็เป็นด้วย เป็นเป็นเหมือนเฉพาะเวลาเวลาเหมือนตอนก่อนนอนนะครับผมอาจารย์ผมจะนั่งสมาธิก่อนแล้วพอเหมือนเรากินข้าวไปแล้วมันมันจะจุกมันจะจุกอืดตรงตรงเนี้ยคะรับอาจารย์แล้วแล้วมันจะทําให้เราเหมือนภาวนาแล้วแบบพุทโธเหมือนเราหายใจไม่สุดอะครับอาจารย์เหมือนเหมือนจุกจุกพยายามนั่งตัวตรงตรงเนี้ยครับอาจารย์ก็อย่าไปกินข้าวไม่ได้เน้องอย่าไปกินข้าวเลย แล้กินเวลาอื่นแล้อย่ามันอย่าไปนั่งตอนที่หลังจากที่เรากินแล้วมันก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าเหมือนเราลดอาหารลงแล้วก็เอย่า ก, กินเย็นได้ไหมก่อนเย็นมันก็จะรดยทึ่จะแก้ปัญหาได้คอืบก็ก็คือเหมือนพรุ่งนี้วันพระ วันภาพปกติผมวก็จะถือสินโพสตแล้วก็จะกินมื้อเดียวตลอดอยู่แล้วครับอาจารย์เมื่อเราสังเกตดูว่ามันมันมีปัญหามันเยะอะมากป่ะอืมบครับอาจารย์ประมาณนี้ครับโอเคนะเอาท่านนี้ก่อนนะครับพรอาจารย์คนลูกที่ว่าเชิญที่ว่าอยู่ที่่ไการะอาจารย์วันนีน้ไม่มีคําถานมันเป็นน้ำตาละเดสาธุ คุณพรชัยตอบคุพรชัยอยู่ที่ไหนพระอาจารย์ครับเอ่อผมอยู่นครปฐมครับนครปฐมมีมีคำถามไับมีครับมีสองข้อครับข้อแรกเป็นผมผมเองนะครับผมฝึกนั่งอานาปานัชติแล้วฝึกลมหายใจเข้าพุทธออกโทนะ่ะแล้วพออยู่มาวันหนึ่งผมเป็นโรคอะไรก็มไม่รู้ก็คือกล้ามเนื้อท้องมัน มันเกรงเองโดยที่ผมไม่ได้สั่งให้มันเกรงพร้วพอมันเกรงขึ้นมาตัวผมก็จะสายกระสุนแล้วผมก็เลยไปต่อมไม่ได้ครผมก็ไม่รู้คระผมควรจะฝึกยังไงต่อไปว่าช่วงที่มันเกรงมันก็จะเป่าลมออกจากพุโทโธก็ากลายเป็นพุพุทธโธโธหรือหรือพูดพูดอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นจังหวะนะฮะแล้วบางทีถ้ามันเกรงหนักเนี่ย ผมจะหงายหลังเลยอาจารย์ก็ลองถามเดือนถามก็อาจารย์ว่าผมจะทำยังไงต่อไปดีก็อย่าเพิ่งทำานยุดมันต้องเปลี่ยนการจากการนั่งเรามาเดินได้ไหมเดินเดินทําได้เดินได้ก็เดินเออ่เดินเดินจะเดินจงกรมใช่ไหมฮะเดินแต่พอกลับมานั่งใหม่ก็เป็นอีกฮะคือท่านเดี๋ยวนี้ท่านเดี๋ยวนี้ไม่ต้อมาผมนั่งไม่ได้แล้วอาจารย์ ถ้านนั่งไม่ได้ก็อยากขึ้นนั่งลองเดินไปก่อนครับก็หมายความว่าตอนนี้ก็มาสามารถนั่งอน า, าปนสิทธิได้แล้วก็ได้แต่เดินจงกรมใช่ชแต่มันมันอาจจะเป็นเป็นรักพักต่อไปก็อาจจะกลับมานั่งได้ก็คอยนองลองนั่งอยู่เรื่อยถ้านั่งไม่ได้ก็เดินตอนนอนตอนนอ น, ตอนนอนก็เป็นฮะก็ตึกเต็ง บางทีอาจจะไปหาหมออยู่เมื่อถ้ามันเป็นเรื่องของร่างกายบางทีก็ต้องไปหาหมอให้เขเช็กดูว่าร่างกายผิดปกติหรือเปล่าครับผมก็ไปหาหมอมาสองท่านแล้วฮะยังไม่หายครับกหมอครับว่าฮะหมอท่านแรกบอกว่าเป็นโรคหมอท่านแรกบอกว่าเป็นโรคลมชักหมอท่านที่สองบอกว่าเป็นโรก อ, อทางเดินหายใจส่วนบนมัน ห, นหย่อนก็ปรากฏว่ารักษาหมอทั้งสองท่านก็ไม่หายครับวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ในท้ายก็ต้องอยู่กับมันไปแล้วล่ะถือว่าเป็นอนัตตาไปครับผมครับนั้นผมถามคําถามข้อที่สองนะฮะภรยาฝากถามว่าถ้าเราจะถวายเงินพระเนี่ยถ้าสมควรรับเหมือนไหมฮะคือตามปกติพระมีสองสายด้วยกัน สายที่ท่านรับรับกัเมืองได้กับสายที่ท่านต้องให้ลูกศิษย์เป็นคนรับแทน อ, อ๋อครับผมครับผมหมดคําถามแล้วครับขอบพระคุณครับโ okay. อเอคอคือคุณพลอยในที่สุด thank you คุณพลอยแล้วเนี่ยนานหน่อยนะอยู่ที่ไหนเปิดไมค์ก่อนกปิแล้วพูดได้เลย พระอจารค่ะอาจารย์อยู่กรุงเทพค่ะอมีคําถามไหมมีคําถามค่ะเชิญ ถ, ถามค่ะหนูมีคําถามว่าถ้ามีคนฝากเราซื้อแบบกุ้งที่ยังไม่ตายะคะ่ะฝากไปให้เขาะคะ่ะแบบนี้เราจะผิดสีไหมะคะให้เขาไปให้หนูซือซ้อซื้อกุ้งสดเ อ, อเราไม่เพียนเราเพียนแต่ว่าเราไปช่วยสนับสนุนให้เขาทาบารถ้าเราปฏิเสธได้เราปฏิเสธไปดีกว่า เราไม่บาวา แ, ตแต่เราเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าไปทําำบาวแล้วก็อันนี้อีกคําถามหนึ่งค่ะถ้าด้านสมาธิอะค่ะหนูเกินน้ําลายได้ไหมอะไม่ควรเกินนะถ้าเราสมาธิเราอย่าไปสนใจกับเรื่องของร่างกายเลยให้อยู่กับดูลมไปรืลมเทโาไป ม, า ม, า ม, าไ ม, มันจะไหลก็ปล่อยมันไหลออกมาไม่ต้องกลัวมัน็นได้เดี๋ยวก็มาเช็ดได้ค่ะ ยุงกัดคันก็ไม่ต้องเจ้าไม่ต้องเจ้ไไเาไม่ต้องไรทั้งสิ้นให้ให้จดจ อ, อยอยู่กับการภาวนาของเราถ้าดูลนก็ดูลนไปครลลับพุโทโธก็พุทโธไปถ้าไม่งั้นจิตมันจะไม่สงบมันมาพลอยมามากัวงวลงง ก, กับเรื่องของร่างกายเกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายมันก็เข้าไปสู่ความสนุกไม่ได้ได้ค่ะพระอ า, าจารย์หนมดคำถามเท่านี้นะคะ ท่าเนเองเมื่อกี้บอกมาอย่างกรุเทพใช่ไหมใช่ค่ะขอไปที่ท่านต่อไปนะคุณสุทัศสนีเชิญุนหมออัตวาแพทย์ขอบรมคการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกมีหนึ่งคำถามเจ้าค่ะเช e ิญ e ค่ะการที่เราสามารถควบคุมอารมณ์ความโกรธ ควบคุมได้เลยอย่านะคะอาจารย์แปลว่าเราติมีสติมากขึ้นหรือเปล่าเคะก็มีสติแล้วมีปัญญาสองอย่างเนี่ยเป็นตัวที่จะควบคุมอารมณ์ได้หรือ ค, ความอยากก็น้อยลงก็ได้ถ้าเราไม่มีความอยากน้อยความโกรธมันก็จะน้อยเพราะความโกรธมันเกิดจากความอยากของเราเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเวลามีอะไรมากระทบมัน ม, มันวางเฉยได้เจ้า ค, ะค่ะอาจารย์คือเราไม่ไปอยากกับสิ่งที่มากระทบมันก็วางเฉยได้ ถ้าประหยาดให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะวางเฉยไม่ได้เจ้าค่ะก็าจจะเป็นผลจากการนั่งสมาธิจากการมีสติหรือจากการมีปัญญาเห็นว่ามันเป็นใจรักเกิดแล้วก็ดับมันมาแล้วก็ไปในควบคุมบังคับมันไม่ได้ก็ปล่อยมันมาปล่อยมันไปเท่านั้นเองเจ้าค่ะช่วงนี้เห็นใจรักได้มากขึ้นเลยเจ้าค่ะกับเหตุการณ์นในชีวิตประจําวันแล้วก็รู้สึกว่ามันปล่อยวางได้มันไม่ค่อยทุกข์เจ้าค่ะ ได้ได้เห็นตายร่างแล้วมันจะไม่ทุกข์ทุกข์มัน<ช>เกิดจากการที่ไม่เห็นใายร่างใช่ชเจ้าค่ะอาจารย์พอไปคิดว่าอะไรเป็นของเราเนี่มันก็ทุกข์ละแต่พอเห็นตายร่าก็รู้ว่ามันไม่ใช่ของเราใช่เจ้าค่ะมีประโยชน์มากเลยเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะดีดีพ<ไ>อปฏิบ<ะ>ัติไปแต่ก็อย่ปาปฏิบัติแต่ปัญญาอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้พุ่งชั่งได้ถบางทีมันก็เรากลับมาทําสมาธิทำจิตให้สงบ เพราะปัญญาถ้าทํามากๆบางทีมันจะกลายเป็นกิเลสไปได้กลายเป็นมิจฉามิฏฐิสร้างขึ้นมาถ้ามันเป็นทุ่มสร้างก็ต้องหยุดแล้ว ก, กลับมา ท, าทําสมาธิให้จิตสงบให้เป็นอุเบกขาก่อนแล้วค่กลับไปใช้ปัญญาค่ะวันนี้หนูหมดคําถามแล้วจ้ะค่ะตอนนี้นะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ ะ, ค, ะคุณนายพลของนิรมณ์คุณนายพลของนิรมณ์ อยที่ไหนนมาส ก, การค่พระอาจารย์อยู่ดอนเมืองเจ้าค่ะมีคำถามไหมเออมีคําถามหนึงอะค่ะพอดีเพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกคือหนูจะติดอยู่กับบนถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะพระอาจารย์ว่าทําไมเราถึงต้องเกิดมาแล้วเหตุผลของการที่เกิดมาเนี่ยค่ะมันคืออะไรอะค่ะพระอาจารย์ ก็ตามหลักธรรมท่านก็แสดงว่าการมาเกิดเพราะเรายมีความอยากอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายเราก็ต้องมีร่างกายถ้าเรายังอยากดูอยากฟังอยากเล่นรถอยากดมกลิ่นอยู่เนี่ยมันก็จะกลับมาเกิดไปเรื่อยถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องตัดตามอยากอยากดูอยากฟังอยากจะดูนั้นก็ไม่ให้มันดูอยากจะฟังเพลงก็ไม่ให้มันฟังอยากจะไปเที่ยวก็ไม่ให้มันไปให้มันอยู่นั่งสมาธิอย่างเดียว ถ้าทำแบนี้ได้ต่อไปมันก็ไม่กลับมาเกิดก็หมายความว่าขาดกิเลส ข, ของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นตาเที่เรากลับมาเกิดใช่ไหมคะการมาตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยพอจะเข้าใจเหตุผลแล้วค่ะพระอาจารย์และการที่จะหยุดความอยากได้ก็ต้องปฏิบัติสีนสมาธิปัญญาค่ะคือมากสีนสมาธิปัญญาคือมาก เป็นเครื่องมือที่จะมาทําให้เราหยุดความอยากนะตอนนี้เราหยุดไม่ได้หรอกเพราะความอยากมันกําลังมันมากเราต้องสร้างกาลังใจด้วยศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเพื่อจะได้ชู้กับความอยากได้หมดแลบวเ<อ>นอะหมดแล้วนะค่ะเดี๋ยวไปปฏิบัติต่อขอบคุณมากค่ะพระอาจารย์โ <Okay, sure. S 2> อเคเชิญธรรมสการค่ะตอนนี้มีมแต่ภาพนิ่งอยู่แสดงว่าพูกที่ภาพนิ่งนี่คงจะไม่ต้องการที่จะพูดนะ เนตอนนี้ไปที่ Facebook ได้แล้วนั่นคำถามจากท facebook างเฟซบุ๊กบ้างค่ะคาถามจากทาง facebook นะคะคืนนี้มีทั้งหมดตอนนี้เข้ามาแต่คำถามค่ะคําถามแรกนะคะจากคุณเทิดไทยค่ะกราบนมัสการครับขอโอกาสครับนั่งภาวนามีแต่วิตกวิจารณ์แต่ไม่มีปิติสุขเลยครับปฏิบัติไม่ถูกหรือยอย่างไรครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ ก็ยังไปไม่ถึงเอยู่อยู่ที่ขั้นที่หนึ่งคือวิจกวิจารก็ต้องพยายามฝึกสติให้ดูลมดูพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปสู่ปิติสูงสุดแล้วก็สู่เวิขาต่อไปค่ะคำถามต่อไปจากคุณตรินสิทธิ์ค่ะบางครั้งรู้สึกโล่งใจมากๆแต่จู่ๆก็วุ่นวายอีกต้องแก้ต้องแก้ไขยอย่างไรครับ แสดงว่าไม่มีสติตตเวลาวุ่นวายแสดงว่าจิตไม่มีสติก็ต้องเรีนสติกลัมาในการทํามุทโธมุทโธมุทโธคําถามต่อไปจากคุณนุชนะคะเราสามารถทําบุญร้อยวันให้คุณแม่ก่อนวันได้ไหมเจ้าคะได้ทําทุกวันนะก็ะด้ไม่ต้องรอร้อยวันก็ได้ยิ่งทํามากยิ่งดีแม่ก็จะได้รับเหมือนส่งอาหารไปทุกวันหรืว่าร้อยวันส่งไปครั้งหนึ่ง คำ ถ, ถามต่อไปจากทางช n e l B นะคะคุณกิตนาค่ะกลับนามัส ก, การพระอาจารย์ครับกระผมทำสมาธิทุกๆวันจะช่วยให้หลุดพ้นจากกรรมได้ไหมครับและจะช่วยแม่ผมได้ไหมครับการปฏิบัตินี้ช่วยได้แต่ตัวเราเท่า น, นั้นเองเพราะมันเรื่องอัตตาเหีอัตโนโนาเถอเป็นที่ขึ้ น, นของตนการปฏิบัติสมาธิก็จะทำให้เราลดกรรมลดกรรมหน้แต่ไม่หมด เราะต้องใช้ปัญญาด้วยถึงจะทําให้เราตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดถึงจะพจ้นจากกรรมได้คำถามต่อไปจากทาง Channel V นะคะกราบหลวงพ่อครับกราบหลวงพ่อค่ะวันนี้เป็นวันเกิดขอหลวงพ่อช่วยเอพอหน่อยค่ะก็ขอให้ยามีวันเกิดขอให้มีวันไม่เกิดเพราะเกิดแล้วเปนทุกข์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย คำถามต่อไปจะคุณภูมิใจในไทยนะคะในวันที่ทําทานรักษาศีลและภาวนาแล้วจะแผ่เมตตาให้เพื่อนที่ยังมีชีวิตอยู่เขากําลังมีความทุกข์กายและใจจะมีหลักปฏิบัติอย่างไรที่จะให้เขาได้รับผลครับเขาก็ไปช่วยเขาสิเขามีความทุกข์แล้บรรเทาความทุกข์ให้ความเดือดร้อนของเขาได้เขาก็ไม่ใช่มานั่งสวดแผ่เมตตาตามสุดแต่เมตตานี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตา การแผ่เมตตาต้องนิ่เกิดจากการกระทาไม่ใช่เกิดจากการนั่งสูดคนเดียวแล้วก็เดือดร้อะไรถ้าเราช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือนร้อนได้อันนั้นลก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาให้กับท่านคำถามต่อไปจะคุณอนุสรค่ะการบ่มอิมซีเริ่มต้นจากสิ่งใดก่อนในทางพระพุทธศาสนาครับอิมซีมีอยู่5าคือหนึ่งศรัทธา สองวิริยะความวิสาหาภาพเพียรสามสติสี่สมาธินาห้าปัญญาก็าต้องเริ่มต้นที่ศรัทธาก่อนถ้าเราไม่มีศรัทธาเราก็จะไม่มีความเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพอเรามีศรัทธาเราศึกษาทำคำสอนเรารู้ว่าการปฏิบัติธรรมคำสอนของพระทเจ้าจะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกขาก็จะเริ่มมีความขยันที่จะปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าสอนให้เราสร้างถ้าเกิดสติสมาธิและปัญญา้งไปต้องเกิดศรัทธาในพระพุทธระธรรมพระสงฆ์ก่อน่อ<ม>ได้เลยมีค่ะคำถามต่อไปจะคุณแพ็กกี้ค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเลี้ยงปากคาบไว้ในบ่อและดูแลเขาอย่างดีจะบาปไหมคะสำหรับผู้ที่ถือสินห้าเจ้าค่ะก็เหมือนเราถ้าใครก็เลี้ยงเราดีในคุกนีเราจะเอานะ เม่ก็อยู่ในในในตู้ก็เามือนขังว่าอยู่ในคุบเนี่ถึงแม้จะได้นเขาดีในทางมุ่งลอกเราเข า, เขา โ, อโอ้ไม่ดีเพราอยากจะมีสลภาพอย่างนี้ก็เล่นเาเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเขาแต่ว่าเป็นบาปก็เป็นบาปแบบอาจจะไม่ไม่ถึงขั้นแบบผิดศีลห้าแต่มันก็เป็นการเบียดเบียนในสร้างความทุกข์ให้กับมือ คำถามต่อไปจะคุณเปรมวิรีค่ะเดินจงกรมและนั่งสมาธิต่อเนื่องหลายชั่วโมงเมื่อออกจากสมาธิมีคนเรียกชื่อเราเสียงเหมือนไกลามากทั้งที่เขาก็อยู่ไม่ไกลเพราะอะไรและควรจะทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะไม่สนใจก็ให้ให้รู้ไปว่าเขาเขาเห็นเขาอยู่ไกลแล้วกัน คำถามต่อไปจะคุณพี่ชัยค่ะจิตเรามีดวงเดียวแต่แสดงอาการเกิดดับตลอดหรือจิตเรามีหลายดวงครับจิตมีดเดียวแต่มันเป็การเกิดดับของขันธ์ที่มีอยู่ในจิตคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเกิดดับเกิดดับถ้าเปรียบเทียบจิตก็เป็นเหมือนตัวเห็นห้อยแต่ตัวเห็นห้อมันก็มีแสงที่มันเกิดดับเกิดดับคำถามต่อไปจะคุณอนุสรค่ะขอโอกาสครับ การปล่อยวางและสันโดษแท้จริงปฏิบัติเช่นใดถึงจะถูกต้องในพุทธศาสนาครับความสันโดษก็แปลว่าความยินดีตามตามีตามเกิดไม่รบอยา่างง่ายสิ่งนั้นสิ่งนี้เรียกว่าสันโดษการปล่อยวางก็คือไม่ไม่ไมปยึดไปติดกบับอะไรไม่ไปยึดติดกับใครกับอะไรทั้งสิ้นอยู่โดยที่ไม่มีอะไรก็ได้แล้ว่าการปล่อยวาง คำถามต่อไปจากคุณนรงค่ะนั่งแล้วรู้สึกไม่มีความรู้นิ่งอยู่ไม่มีอะไรรอบๆบตัวมีแต่ความเงียบซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างไม่มีอะไรครับอยากรู้ว่าผิดปกติหรือไม่ครับถ้ามันว่ามันก็ไม่มีอะไรก็ให้รู้เฉยๆไปให้มันว่างใหมันเย็นให้มันสบายก็ไม่ดีคำถามสุดท้ายค่ะจากคุณโสพลวิทย์ค่ะขอกราบเรียนถามครับ มีวิธีพิจารณาอย่างไรให้ละความเป็นตัวตนในตัวเราและผู้อื่นครับก็ร่างกายนี้เราว่ามันมาจากอะไรทำจากอะไรมันก็ทำมาจากธาตุสี่ดินน้นลมไฟมันก็เป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งที่มีใจเป็นผู้สั่งให้มันทำอะไรต่างๆแต่มันไม่มีตัวในตัวร่างกายมันไม่มีตัวตน เป็นตัวตุ๊กตาที่ได้รับคำสัง่งจากใจทำให้เยอะทำให้ยืนทำให้เดินทำให้นั่งทำให้นอนทำให้ทำอะไรต่างๆถ้าไม่มีใจมันก็ทำอะไรเองไม่ได้หมดแล้วใช่ไหมคำถามหมดแล้วค่ะไปที่คุณกัฟฟี่ต่อกัฟกัฟฟกัฟจากซูลาธานีปรับน้มัสการครับ มีสี่หัวข้อครับผม ก, <ๆ>ก็ก็คือได้เรื่องกินอาหารนะครับอพี่เขาพูดแล้วว่าอาจารย์เทพได้ละเอียดมากครับแล้วก็จะนําไปปฏิบัติก็คือว่าถือศีลแปดพวกนี้ก็คือว่าเพิ่มการกินข้าวแบบคลุกเข้าไปะครับน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องบพติศรูปครับก็เวลาผมมองบพตรูปผมจะคิดถึงว่าอาตอนนั้นท่าน มันปางน้าปกท่านก็สอนมุจลินว่าให้ดําำนิออกจากกรามไม่เบี่ยนเบียนคนอื่นปางถวายเนตรก็แบบว่าเหมือนท่านระลึกว่าจะออกไปโปรดสัตว์ดีไหมอะไรเงี้ยครับเป็นความจริงที่ถูกต้องไหมครับก็เป็นจะเป็นความจริงก็ถูกต้องเป็นความจริงตามที่พระต่ายกฤษฎ์แสดงไว้นี่ปะครับแล้วก็เรื่องการดูแลพ่อแม่ที่พี่เขาเขาถามคือตอนนี้ก็คือว่าเหมือนต้องทํางานแล้วก็ พ่อแม่คือเขาสบายใจที่เราทํางานได้แล้วก็หาเงินได้เองพ่อแม่ก็คือตอนนี้คือพ่อแม่ก็คือเริ่มจะมีความมีความสุขมากขึ้นครับได้พ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกอยู่สุขอสบายไม่ทุกข์ยากเหนือย น, นอนพอเราขึ้นต่อนเองได้เขาก็สบายใจแล้วก็ผมจะมีปัญหาครับเพราะว่าเป็นโรคลูมาตอตอนนี้ขึ้นนั่งขัดสมาธิไม่ได้ครับผมพนั่งก็ยีมไปก็แล้วกันครับอาจารย์ อีกข้อสุดท้ายครับคือคุณแม่เนี่ยเขาเวล า, วลาทําอะไรไม่ถูกใจเขาจะอารมณ์แบบไปยิ้ดแบบรุนแรงมากแต่เราก็แบบเราก็นิ่งเราก็เฉยคือไม่ไม่ได้ตอบโต้อะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบมันรุนแรงมากเหแบบมือนแม่เขาแบบว่าชอบข่ายุงตียุงช็อตอะไรอย่างนี้ด้วยครับคือแบบจิตเขาสะทมไว้เยอะมากครับมันจะเป็นเรื่องของเขาที่เราไปทำอะไรไม่ได้ครับ ก็ขอกำลังใจแล้วก็ขอเป็นแบบต่ อ, <Okay. S 2> อพรุ่งนี้ฝากเพิ่มไปตักหวาแลรอคะได้พยายามปฏิบัติให้มากๆ น, นะฝนอยู่ ท, ทีการปฏิบัติครับอาจารย์คุณวนตาเชิญคุณบนาครับอ่ามีคำถามไหมวันนี้สัญญาไ ม, มาไาา่ไม่ดีขาดกาดหายหายยังไม่มาเสียงวันนี้ไม่ไม่ม<ป>ีคำถามค่ะ โอเคแล้วไม่นีก็ขอไปไนที่ท่านต่อไปเลยนะคนุณพทัทรพรบัวศุกอยู่ที่ประเทศ<แ>สเปน<ข>อาร์เรียร์ปิดเทอมเล้วเรียร์ปิดเทอมแล้วนะครับมีคำถามอะไรไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกมีนิวรณ์เกิดขึ้นเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคา่ะเป็นธรรมดาปฏิบัติธรรมมันก็ต้องมีนิวรณนั่นแหละผลนน่ะ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวเลยเรื่อแต่ต้องรู้จักวิธีแก้มันทั้งนี้เตัวไหนล่ะยี่วอนตัวไหนมีทั้งห้าตัวง่วงเงาหานอนเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะก็กินให้น้อยหน่อยเลยกินมื้อเดียวเดิมค่ะกินมื้อเดียวเดิเจ้าค่ะหลวงพ่ออยากทานอยากทานมื้อเดียวมากแต่ว่าลดลดปริมาณเหลือครึ่งหนึ่งก็ทานสามมื้อก็ได้แต่รด ไคยกินสองจานก็กินมื้อละจานไปแล้วกันต้องมัปริารามาณให้มันน้อยลงเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระถ้าเราอยู่กับคนอื่นเราต้องกินกับเขาอยู่แล้วก็กิ น, นเหนียวก็แล้วกันใช่เจ้าค่ะหลวงพ่ออันนี้คือคือมื้อเช้า่าลูกจากอ่าอย่างเร็วเขาก็ทานของเขาเบางทีลูกเขาก็บาอทีเขาก็ทานในออฟฟิศลูกก็มันเป็นเวลาที่ลูก ปฏิบัติทมเวลาที่หลวงพ่อพอดีลูกก็จะไม่ไม่ทานแต่ว่ามือเย็นมันก็เลยจะต้องเป็นปริยายที่ต้องของครอบครัวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอ่าก็กินครึ่งเดียวกออยา ก, กินมากกินพอไม่ให้มันหิวก็พอดับความหิวแต่ไม่ต้องกินให้มันอิ่มแล้วรู้สึกว่าไม่หิวแล้วหายหิวแล้วก็หยุดกินเหลือหน้าก็ไปแทนเจ้าค่ะหลวงพอ่อเจ้าค่ะค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะมีนี้นะสบายดีนะ สบายดีเจ้าค่ะยังมีกําหนดการกลับมาเมืองไทยไหมยังดูแล้วยังไม่แน่ใจเลยหลวงยน่ากลัวนะตอนนี้เมืองไทยมันละสามพันสามพันดูแล้วปีนี้ดูแล้วเพราะว่าไปแล้วก็ต้องกัดตัวด้วยอะไรดูแล้วปีนี้คงจะรอไปก่อนที่บ้านะเจ้าค่ะรอทุกคนได้ฉีดวัคซีนก่อนเจ้าค่ะคิดว่าปีหน้าเนี่ยคงจะชัวร์แต่ปีนี้ดูแล้วใจเย็นรอไปก่อนนะ แล้วก็คิดถึงหลวงพ่อก็ได้เข้ามาสุมก็เนี่ยก็เจอกันนี้เนี่ก็ดีสบายกว่าเจอตัวก็ไม่ค่อยมีเวลาพูดกันหรอกเจอกันในที่ถึงจะมีเวลาพูดกันได้เจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะตรงตาครับแล้วอย่างริวในเวลาถ้าไม่กินข้าวมากทำไมมันรู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็ทําให้มีง่วงนอนมากกว่าตอนกินข้าวอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าเราเราใช้กับใช้ใช้พลังงานมากเนี่ย่าย ถ้ามันถ้ามันอยู่ต่ำกว่าความความต้องการของร่าง ก, กายก็ทําให้ร่าง ก, กายหยิวอ่อนเพลียมไม่มีเรี่ยวมีแรงได้ก็เป็นธรรมดาต้องกินให้มันพอดีถ้าเรี่ยวไม่ได้ปฏิบัติธรรมเรี่ยว่ากินไปให้มันพอดีเต็มทีค่ครับขับคุณาขอครับโอเคนะขอบคุณเจ้าของครั บ, รรบขอบคุเจ้าตาเชิญแก้วเป็นยังไง คุณแม่สบายดีกับบ้าคุณนมาฟังอยู่กับยยบ้าเนี่ยยังไม่ได้ตรวจไปอ่ะตรวจแล้วก็เปิดเปิดกดไม่ค่อยถูกเจ้าค่ะคุณแม่สบายดีเจ้าค่ะคือแก้วใกล้จะได้เวลาฉีดวัคซีนแล้วกราบขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยอวยพรให้หน่อยเจ้าค่ะให้ไม่แพ้วัคซีนตื่นเต้นเจ้าค่ะแพ้ก็แพ้ไม่แพ้ก็แพ้มันไป ไปมันเป็นอนันตาลราเว้ไหวพรอบได้ยังไงเราเองฉีดก็จะบุญกันแล้วก็ฉีดแล้วมันแท้ก็แพ้ไม่แพ้ก็ไม่แพ้พระอาจารย์ฉีดแล้วเหรอเจ้าค่ะอ่าเราฉีดเข็มแล้วแล้วออร์ตาก็แพ้นิดหน่อยมีอาการเป็นไข้เบาๆปวดเมื่อยนิดหน่อยวันหนึ่งก็หมดแล้วไม่มีปัญหาเลยอืมเ จ, จ้าค่ะตอนนี้ก็พยายามทําบุญอยู่ เรื่อยๆเพื่อจะช่วยให้คนอย่้แก้วที่อย่างนี้แก้วค่นยีน่สิบ ค, ค, คนกินแกงหม้อเดียวกันเนี้ยแล้วคนหนึ่งมันท้องเสียเนี้ยแล้วยีง่งไปโทษว่าแกงมันทําให้คนเข้าท้องเสียก็แบบเจ้าค่ะอีกสิเก้าคนที่กินไม่เป็นอะไรเ <c oughs> จ้าค่ะนี่คนฉีดล้านคนไม่เป็นอะไรมีคนเป็นอยู่คนสองคนเนี้ยเราไปโทษรักสีได้่ะ ไม่ไม่ได้เจ้าค่ะได้เลยคิดอย่างนี้แล้วมันจะสบายใจนะนะถ้าเป็นก็ไม่ใช่เป็นเพราะวัคซีนนะเป็นเพราะด้านกายเราเป็นผิดปกติอะไรบาง้องมีเสียงบางอย่างมัน ก, ก็ก็กลัวตรงนั้นแหละเจ้าค่ะกลัวงานมั น, นมนันก็เป็นอยู่ไม่เฉียดมันก็เป็นอยู่ถึงเวลามันจะตายไม่ใครไปรู้พรุ่งนี้ชาอาจจะเคลื่นี่นานพรุ่งนี้อาจจะไม่ตื่นก็ได้ แล้วพอดีวันนี้ไปฉีดวัคซีนก็เลยไปโทษวัคซี น, นว่าเนี่ยตายเพราะวัคซีนอะไรนะนรองนี่สมัยนี้มันเป็นหมอมันทุกคนแล้วเนี่ยหมอใครเป็นไยหน่อยวัคซีนดันทีวัคซีนดั น, นทีแล้วพอหมอบอกไม่เป็นก็มาเชื่อหาว่าหมอปิดบังน่เองคนสมัยนี้เก่งหมอยอหมอเล่นเหนื่อยก็ไงะนะเฉกข้างใช่เหตุผลเียนี่ยเปียกเที่ยวไม้ฟังลเลย ันกินค้าวกินแกงว่าเดียวกันยี่สิบคนเป็นคนเดียวเนี่ยเราไปโทษแกงก็แบบใช่ไหมอา่าไม่ต้องไปกลัวหรอกวัคซีนคนก็ฉีดมาเป็นไม่รู้กี่ล้านคนแล้วเป็นไม่กี่คนเป็นแค่สองสามคนนั่นเองแล้วก็ไปโทษวัคซีนนะสบายใจได้แล้วไม่มีปัญหาอะไรขอบคุณเจ้าค่ะถ้าถ้ามันแพ้นห น, น่อ ด, ดีแสดงว่า สแสดงว่าเป็นยาจริงไม่ใช่เป็นน้ำเปล่าอชอฉีดหลอกเราจะได้รู้ว่าเอามันไปกระตุน้นุภูมิต้านทานของเรานะ้วถ้าไม่ถ้าฉีดถ้าไม่มีอาการเลยนี่น่าสงสัยให้เขาฉีดฉีดน้ำเปากให้เราเปล่ากขาไม่มีวัคซีนเยขาเลยนะฉีดน้ําปากให้เราแล้วบอกเป็นวัคซีนก็ได้ยนะสบายใจได้<อ>นะมีอะไรไหม ไม่มีแล้วเจ้าค่ะกล่าวกับพรอคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะเคถ้ okay. รู้สึกว่าคุณสอนสอนดวงพูเข้ามาคุณเชอรี่ก่อนหรเขาคุณเชอรี่ก่อนสอนดวงเรืองอะไคุณเชอเรี่เชิญอยู่ที่ไหนมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่กรุงเทพอยู่พัทธมนฑนค่ะมีคำถามไหม มีคำถามว่านั่งสมาธิแล้วชอบหลับค่ะก็เดินเด็กเดินสมาธิแทนถ้ามัชอบหล่บมันก็กขึ้นมาเดินเดี ว, ว่าถ้าถ้ากินช้าวถ้าอย่ายนั่งสมาธิเพิ่งกินข้ า, า ว, ยว อ, าอยู่ใหม่ๆเรานั่งแล้วมันเต็มมันจะ ง, ง่วงเรานั่งแล้วเรารู้สึกว่าเราง่วงเราก็ให้ลุกไปเดินใช่ไหมอ่าลุก ไ, ไปเด <ไป S 1> ิช น, นชทนอ่าใช่เดี๋ยให้มันหายง่วงกว่าแล้วกลับมานั่ง ถ้ า, <ร>ามันไม่หาย<ร>าถ้ า, <ร>ามันยังงงอยู่ว่าไม่วันไม่อยู่วันว่างเลยขอมี ว, วันนึงนั่งแล้วก็ยุงมาลุมกัดนั่งแล้วก็ยุงมาลุมกัดเยอะแ ย, ยะหลายตัวเลยปล่อยให้กัดแล้วก็ยังมากัดกันแล้วก็คือมันรวมสมาธิไม่ได้เพราะว่าพอกัดแล้วรู้สึกเจ็บเราก็หลุดออกมาจากสมาธิแล้วก็พยายามจะ รวมสมาธ่ให้ได้มันก็กลางตรงนี้ดวงจิตตรงกลางมุ้งได้นะกลางมุงได้มีมุงกลางไม่มีมุงค่ะแต่ว่าเข้าเข้าไปหลบในห้องได้ค่ะนั่นนะแต่ว่าไปไปหลบในห้องที่มันไม่มันไม่มีอยู่ก็แล้วกันค่ะถ้าเราใจเรายังไม่แข็งพอที่จะให้ปล่อยให้มันกัดได้เราก็เราหลกมันไปก่อนตรงตรงที่นั่งเนี่ยเป็นที่พัก ก็เลยอยากจะนั่งตรงนั้นแต่ว่าถ้ามาหลบในห้องก็คือไม่ได้อยู่ตรงหิ้งผ้าค่ะไม่เป็นไรมันไม่เกี่ยวหรอกหิ้งผ้าไม่หิ้งผ้านั่งสมาธิมันอยู่ที่สติมีสติแล้วไม่มีสติยิ่งถ้าอยู่ในปา่าถ้าไม่มีหิ้งผ้าถ้านั่งสมาธิกันได้ไหมค่ะแล้วนะมีคําถามคําถามสุดท้ายค่ะว่านั่งแล้วมีความรู้สึกเศร้าผ่านเข้ามาอันนั้นมันเป็นความรู้สึกของเราหรือเปล่าความเศร้าเลย อะไรผ่านเข้ามามันผ่านเข้ามาแล้วมันก็ไปค่ะคือก็ไม่เป็นไรมันเป็นธรรมดาของต่างๆมันมามันไปอย่าไปสนใจมันนั่นเองแล้วก็พูดโทรไปดูลงไปค่ะหมดคาะของเจ้าค่ะฮา์คุณสอนดวงพันเดชเมื่อคืนนี้ก็เข้ามาใช่ไหมแล่ววันวันก่อนนี่วันอาทิตย์อาทิตย์เข้ามาถามคยเอ ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์เข้ามากรพระอาจารย์ไม่มีอะไรนะเห็นว่าขาผ่านคุณพิมพิดาเชิญคุณพิมพิดาดูออเอร์จีเนียเห็นอร์จีเนียายหน้าไป็หลายอาทิตย์เป็นงไงบ้างสบายดีเหรอกลับนามัสการค่ะพระอ า, ขาจารย์ค่ะสบายดีค่ะหนูก็ยังปฏิบัติอยู่ต่ อ, ตอนเนื่องค่ะอ ค่ะวันนี้ก็ไม่มีคำถามค่ะเข้ามาฟังค่ะอาจารย์ตอนนี้ฉีดยาร็จกล้องท้องเข้มเลยค่ะฉีดเรียบร้อยแล้วค่ะเย็นดายนะค่ะแต่พอดีวันนี้ลูกชายเป็นหวัดก็เลยอยู่บ้านไม่ได้ไปโรงเรียนเลยตอนแรกไม่กล้าเปิดกล้องเพราะว่ากลัวรบกวนนะคะอ่าไม่เป็นไรค่ะาตะหนูหนูอ่าน ค่ะหนูอ่านธรรมะแล้วก็ติดตามฟังพระอาจารย์อยู่เสมอค่ะแล้วก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะใช่ดีพยายามรักษาใจอย่าให้ทุกข์กับอะไรนะค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะสาธุค่ะกว่าทุทุกท่านหมดแล้วคุณุณชัญญพัฒนะครับพระอาจารย์คุณชัญญพันครับครับวัดคขอบธรรมส่ว่ามาพูดดังๆหน่อย จับเป็นนกแสงพอดีหนูมีโอกาสเข้าซูมมาครั้งแรกะค่ะพอดีหนูดูทูตูบแล้วเห็นวิดีโอของหลวงพ่อเด็กหนูก็เลยกดเข้าไปฟังแล้วฟังแล้วรู้สึกสบายใจก็เลยกดติดตามพอดีวันเนี้ยเห็นหลวงพ่อถ่ายคลอดสดนะคะหนูก็เลยลองกดเข้ามาในซูมดูนะคะอยู่ที่ไหนอยู่นคปรปฐมค่ะเอะมีคําถามไหมอ่าคือตอนนี้หนู่กําลังพยายามหัดนั่งสมาธิอะค่ะ แต่ว่าพอนั่งไปรู้สึกว่าหูมันจะอื้อเหมือนกับว่าเวลาเหมือนคนต้องปิกหูอะค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะปล่อยมันไปให้ดูลงไปอย่ายไปสนใจกับอาการกต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นปกติแต่ละคนจะมีอาการแตกๆโผกขึ้นมานไม่ไม่มีพิษมีภัยอะไรนะไม่ต้องกลัวมาล้มฟังธรรมค่ะโอเคมีตอนนี้นะค่ะโอเค ทางเฟนพวกยังมีไหมครับมีครับมีค่า ค, ค, คำถามค่ะพระอาจารย์คะค่ะคำถามที่หนึ่งจากคุณพัทรศิษฐ์ค่ะกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์ครั้งที่แล้วเรียนถามเรื่องการภาวนาแต่ไม่ได้นั่งสมาธิปกติเคยนั่งและเข้าสงบได้บ้างแต่ทิ้งไปนานมาเริ่มฝึกใหม่มองเห็นความวุ่นวายในใจและเข้าถึงสมาธิยังไม่ได้ค่ะขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ เวลามุนม่นหมายใจก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้หรือเที่ยพุโทโธพุทโธไปก่อนถ้านั่งดูลงเฉยๆไม่ได้ก็ต้องอาศัยการสวดการเที่ยไปก่อนเพื่อระงับความคิดปุนแต่งตาให้มันเบาบางลงพอมันดูลงได้แล้วค่อยนั่งดูลงต่อไปคำถามต่อไปจะคุณมงคลค่ะกราบเรียนถามครับ หากคนในครอบครัวมีทิฏฐิมานะหรือบางครั้งเป็นมิจฉาทิฏฐิพอจะมีทางแก้ไขเขาเหล่านั้นไหมครับออมีทางแต่เขาต้องเป็นคนที่แก้ไขเขาเองเขาต้องเป็นคนที่มีความต้องการจะแก้ไขถ้าเ็าไม่ต้องการแก้ไขมันก็แก้ไม่ได้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องด้วยยกเว้นว่าถ้าเขามาขอความช่วยเหลือล้วค่อยให้ไป คำถามจากคุณน้ำครึ่งแก้วค่ะมีสองคำถามนะคะคำถามที่1ถ้าบริกรรมพูดโทไปนานๆแล้วรู้สึกเหนื่อยควรเลิกบริกรรมหรือไม่ควรบริกรรมต่อไปคะก็ดูลงแทนก็ได้ถ้ารู้สึกเหนื่อยไม่อยากจะบริการก็ดูลงหายใจเขาแนคำถามที่สองค่ะถ้าเห็นผู้อื่นดีกว่าแล้วรู้สึกไม่ชอบต้องทําอย่างไรคะก็ดูคนที่เขาเลนดว่าเราค คนเราในโลกนี้มันมีทั้งที่ดีกว่เราแล้วเลวกว่าเรานดูแล้วมันก็เลยทําให้เราเป็นใจเป็นการได้เพเออคนที่เลวกว่าเราก็มีตั้งเยอะแยะงั้นถ้าเราไปดูแต่คนที่เ้าดีกับเราเดี๋ยวเราก็จะ น, น้อยอน้อยใจได้คำถามต่อไปจากคุณนาฏค่ะระหว่างนั่งสมาธิจะรู้สึกร้อนมากค่ะบางทีเหงื่อไหลเลยค่ะจะต้องปฏิบัติต่ออย่างไรคะตอนนี้เป็นปกติเวลานั่งถ้านั่งใน ารขัดสมาธนี้มันจะทำให้ร่างกายผลิตความร้อนออกมาเยอะมากว่ากเขาไม่ต้องไปสนใจว่ามันเหนือออกไปเสร็จแล้วค่อยไปอาบน้ำไปเช็ดตัวทีหลังก็ได้ไม่เป็นปัญหาะไรคำถามสุดท้ายจากคุณชัยค่ะ น้องกลับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะหนูขอถามว่าหนูเป็นคนที่กลัวผีมากๆปฏิบัติมานานหลายปีแล้วค่ะแต่ความกลัวก็ไม่ลดบางครั้งมีสติก็กล้าแต่จะไม่กล้ามันมันก็เผลอสติเมื่อไหร่ความกลัวก็จะมีแล้วมันจะตัวสัน่นเวลาไปภาวนาที่วัดป่าทีไรเป็นทุกครั้งอยากไปปรีกวิเวกมาก แต่พอไปก็กลัวจนไม่ได้นอนเลยพิจารณาความตายแล้วว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเป็นผีเหมือนกันแต่มันก็ยังไม่หายกลัวขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะก็ตอนนี้ต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นไปก่อนให้มีกำลังที่จะหยุดวามคิดความกลัวได้ถึงห้ยไปปฏิบัติในที่หน้ากลัวดังนั้นเดี๋ยวถ้าไปอยู่ที่หน้ากลัวนี้ใจมันจะเป็นบ้าได้กลัวมากๆมันจะเป็นบ้าได้งนั้นพยายามฝึกสติในที่ปลอดภัยไปก่อน ให้เรามีสติพอที่จะควบคุมทําใจให้หยุดคิดตุ่มแตนอยู่คิดถึงเรื่องผีให้ได้ในสภาพที่ที่ในสถานที่ที่มันไม่มีผีก่อนแล้วต่อไปถ้าเราทําใจใมีให้มีสติดได้ในระดับที่เราควบคุมได้แล้วถ้าเราอยากจะไปปิดเรืยก็ค่อยไปต่อไปได้หมดแล้วเลยนะทำทามาหมดแล้วค่ะโอเคเอแ้วนะก็คือว่าครอบครัวอาจารย์ครอบครัวผู้หลานนะครับ าเช응ิญมองไม่เห็นครับสุดท้ายวันยังไงมีอะไรไหมวันนี้มาฟังธรรมครับมากราบลงพรค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปรับวัคซีนค่ะดีฉียันแต่ก็คุณพ่อแม่ใช่ไหมแต่เด็กไม่ต้องฉีดเด็กเก่งเก่งกับผู้ใหญ่ แล้วก็พรุ่งนี้จะฝากบินทบาตแล้วก็ฝากใส่บาทจะไปบวชเนแล้วเหรอจะไปบิ่เท่าพูดผิดครับเออไปใส่บาทบาทก็ใส่บาทจะเปครอบครองทุกครั้งเวลาใส่บาทเขาบอกอันนี้ของครอบครัวภูเขาอยากไปมากเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ปบาทไทยก่อนนบดหนึ่งนอยู่บ้าน <Yeah. S 2> เดี๋ยวรอฉีดโควิดอะไรแล้วฉีดวัคซีนอะไรแล้วก็น่าจะไปได้ไหมคะอ่าแต่ตอนนี้ทางที่นี่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการแสดงทำเ ไ, ไหมอ๋อไปก็ไปได้ไปใส่บาทได้อยู่ตอนเช้าโอเคนะขอให้ทุกคนเป็ความสุขมากๆไ้เรียนเก่งๆนะไปเป็นเด็กดีเ <c oughs> ชื่อ ค, คํา <c oughs> คณพ่อคนแมาครูบาอาจารย์นะ Okay. มีใครอีกไหมใกล้จะปิดแล้วนะใกล้จะสรุปบายแล้วนะถ้าใครอยากจ ะ, ะณยาสิทิ์ครับคุณยาสิทธิ์ครับอาจารย์มามาครับอาจารย์คือคือเวลานั่งสมาธิครับอาจารย์คื อ, อกำหนดพุดโทโธพุทโธอยู่ตลอดแต่คือมัอนเหมือนกับว่า จิตใจมันไม่ไม่ได้สงบลงหรือว่ามันมันมันสงบได้แค่พุทโธพุทโธอย่างนี้ครับอาจารย์แล้วแบบนี้มันมันจะโอเคไหมครับอาจารย์ก็มันเพิ่งหัดหัดหัดปฏิบัตินั่นก็อย่างนี้แหละมันก็ยังต้องนมลูกขาดไปก่อนห้องใจเย็นๆพยายามพุทโธไปเรื่อยๆต่อไปมันกำลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วจิตมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้ต่อไปนะคราวนี้อย่าเพิ่งท้อนะครานี้เหมือนเพิ่งหัดใหม่หรืหัดขี่จักรยานเรือหัดเดิน เดิได้สองสามก้ามันก็ล้มลงไปใหม่สติเรายังไม่ต่อเนื่องพุทโธได้สองสามคำมันก็เผลอไปขึ้นเท่านั้นเองนี่ก็เดินกลับมาใหม่คือคือมันมันมันได้อยู่พุทโธพุทโธมายี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงเนี้ยครับทำไปทําไปได้เรื่อยงทําไปได้เรื่อยแต่มันมันไม่รู้สึกว่าจวเดี๋ยววันนี้ป็นดีมันก็จะสงบให้เราเองครับเดี๋ยวจะว่ยอย่าไปคาดอย่าไปอย่าไปรุ่นยิ่งรุ่นมันยิ่งไม่สงบนะ เราไม่ได้รู้ไม่ชี้ไปพูดโทรพูดโธรไปมันถูกแล้วใช่ไหมครับถูกครับเพียงแต่ว่าอาจจะไปพูดโทรให้ไปเห็นสมบุกสมบูรณพูดโทนี้อย่าไปคิดอย่าไปคิดให้อยู่กับพูดโทอย่างเดียวครับอาจครับโอจเย็นจเจ<ถ>ย็นคนนทนาัสจะมาออยากจะถามเรือใช่คุณนนทนัสเจ้าว่าอาจารย์ถามมาค่ะพอดีลูกเคย มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วพอท่านท่านมรณภาพอเจ้าค่ะคนอื่นร้องไห้ภูมิไฟแต่ลูกอะ่ะเฉยเฉยแต่ลูกแบบไม่มั่นใจว่ามันเป็นเฉยหรือเฉยเมยแล้วจะเช็คอย่างไงดีเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ทุก็เปล่าไม่ไม่ทุกเจ้าค่ะเราไม่ทุกค่ะกเป็นอุเบกขาใจเฉยค่ ะ, คะเพราะพราะคนอื่นเขาภูมิไฟกันลูกก็เลยอเอะไรเราไม่มีไม่มีอาการอย่างนี้อะไรอย่างนี้ยเจ้าค่ะ ควรเป็นการเฉยเมยไปเจ้าค่ะอาจารย์แต่ไม่ทูกเจ้าค่ะอาจารย์เขา้าเข้าใจสภาวะวา<ม>่าท่านท่านอยู่ในสภาวะที่ท่านต้องไปคือต้องไปใช่เข้าใจหลักธรรมความเป็นจริงว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนต้องเกิดขึ้นกับทุกคนอ๋อ แ, แต่แต่บางทีมันก็มีบางเรื่องที่นึกถึงท่านแล้วก็น้ำตาซึมอย่างนี้ไม่ไม่ใช่ความเสียใจใช่ไหมเจ้ า, าคา่ะพระอาจารย์ในความอาจจะเป็นความทราบซึ่งในข้อมูลของท่านก็ได้ ค่ะค่ะก็ก็ไม่ไม่ได้แบบเสียใจภู้มไฟแต่เหมือนว่าน่ารื่นถึงท่านแล้วก็แบบ ไ, ไม่เป็นไรถ้าไม่ทุกขก็ไม่เป็นไรอ๋อเจ้าค่ะแล้วก็ลูกเมื่อเมื่อวันหยุดที่ผ่านวันจันทร์ที่ผ่านมาลูกมีส่งของอ่าขออนุญาตส่งของไปถวายพระจานทร์ที่วัดไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่าลูกก็เลยยังไม่แน่ใจคือปกติใเวลาของมันจะมีพานรัแทนให้อ๋<ม>อเจ้าค่ะแต่<ม>แต่<ม>ส่งไปสนันนไปได้ใช่ไหมเจ้าค่ะได้ไดลูกลูกลองเสี่ยงส่งไปอ่ะจ้ ถ้าถ้าอยากจะทราบก็ได้รับฝ า, า, ากก็เขียนเบอร์โทรไว้เลยเขียนอะไรแล้วท่านคานท่านจะตอบรับให้จะบอกให้ว่าได้รับของนี่อ๋อลูกมีเขียนเบอร์โทรไว้เจ้าค่ะแต่ยังไม่มีใครโทรมาใช่ไหมยยังไม่มีเจ้าค่ะอาจารย์กี่วันแล้วละ่ะก็เพราะลูกส่งวันอาทิตย์แล้วเขน่าจะขนส่งวันจันทร์แต่เป็น EMS น่าจะวันนี้น่าจะถึงเจ้าค่ะอาจารย์อาจจะช้าหน่อยเพราะที่นี่อยู่ไกลจากไบชเนอ๋อวันศุอ เหมือนอต้องพักที่หนึ่งใช่ไหมเจ้าค่ะเห็นใช่อยู่ที่ไปทะเลแล้วเขาต้องรอนรววมเวลาเ้าเป่มาจากเว่าที่วัดกับที่ไปทะเลหา ก, กันเกือบยี่สิบสามสิบกิโลเลย<อ>เราไม่ได้มาทุกวันเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะมีเท่านีเจ้มีเท่านี้เจ้าค่ะพรอาจารย์โอเคซาตุสค่ะ<า><า>หมนหล้วใช่ไหม